สุดท้ายนะก็ได้ตายจากกันไปก็ไปเกิดที่อยู่ของใครของมันใครเคยอยู่พบไหนภูมิไหนถ้ารักษาชีวิตไว้ได้วันนี้วันพรุ่งนี้ก็คงจะกลับไปเกิดที่พบภูมิเดิมของตัวเองใครเคยทำหน้าที่อะไรก็จะได้ไปนั้นถ้ารอดนะถ้าไม่รอดก็ ได้ไปนะอืภพภูมินี้ก็เป็นภพภูมิสุดท้ายนะแต่ก็ดีนะถ้าตายขณะปฏิบัติธรรมก็จะได้จิตก็จะดีเลยแหละถ้าตายขณะปฏิบัติธรรมเรียวกว่ากุศลและจิตยังมีตกค้างอยู่บ้างวันนี้เราก็ได้สวดอพี่ทำให้เรียบร้อยแล้ว ที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่นะฉะนั้นใครตายใครอยู่ก็ไม่มีห่วงไม่มีปัญหาอะไรเพราะทำให้หมดทุกอย่างค่าสวดพระก็ไม่ได้เอาไม่ได้ทำอะไรสวดแล้วแปลให้ด้วยญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็มารักษาสิ้นสินห้าสิ้นแปดอยู่ด้วยกันไลยวันสองสามสี่วันเนี่ยว่าจะเป็นมหากุศนนะ ตวจน้ามุทิตส่วนกุศลไว้ด้วยแหละแต่บางคนนอทีฟังแล้วก็เข้าใจความหมายนะคําสวดเนี่ยนะเข้าใจความหมายบางคนก็ไม่อยากตายอืมแต่บางคนก็เกิดความเข้าใจชีวิตขึ้นมาที่ผลจากการสวดเนี่ยโอความหมายของการสวดแล้วพี่ทำเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยนะนะ บางคนไม่เคยไปงานสวดอะิธรมสักทีเลยตั้งแต่เกิดจนตายบางทีเนี่ยจนถึงอายุปูนนี้ก็ยังไม่ได้ฟังสวดอะบิธำบางทีก็ไปวัดก็ไปกินของหวานเขาสวดอะบิธำนะเขาของหวานเอารถช่องมาเสิร์ฟแต่ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่ะก็จะได้ไปทําพิธีจุดธูปปฏิบัติธรรมไปนะ เรามาอยู่ร่วมกันปฏิบัติธรรมล้วก็ฝึกระเบียบวินัยเป็นอยู่ร่วมกับหมู่กับคณะการกินการอยู่การไปการมาระเบียบการประพฤติปฏิบัติการเข้ากันออกพร้อมเพรียงกันในประเด็เรียกว่าวินัยแต่วินัยที่เราทำเนี่ยเป็นวินัยโดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้เราทันการทันเวลาที่จะมาทําความรู้ตัววินัยนี่เป็นเครื่องมือในการที่จะนําพาออกจากทุก ไม่เหมือนวินัยแบบระเบียบวินัยทั้งโลกระเบียบวินัยทั้งโลกเนี่ย <c oughs> เป้าหมายก็คือมีจุดประสงค์ก็ได้ความพร้อมเพียงมีเงินดงเดือนมีโบนัส ม, นนมีน้องมินิเป็นเครื่องตอบแทนแต่ท้งทําเนี่ยระเบียบวินัยทั้งหลายทั้งปงวงเราจัดเอากินพ้อมเพียงกันอะไรพ่อมเพียงกันระเบียบวินยัยกําหนดรูทําอย่างโน้น อ, อย่างนี้เนี่ยติดตามเรื่อยๆเนี่ยเป้าหมายคือพ้นทุกเป้าหมายคือพระนิพพาน วินัยนี้ต้องการให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติเมือนไม่เหมือนทางโลกนะอันนี้ต้องการให้คนแต่และคนในมีวินัยในตัวเองเสียงละคังต้องการให้ดังจากจิตนะไม่ใช่ให้ดังจากการตีคือมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาตัวเองนะให้มันดังที่ใจถึงเวลาไปนันดี วเวลาอาบน้ำอาเรือเวลากินกินในเวลาปฏิบัติปฏิบัติให้กายกับใจเนี่ยมันเข้าใจเรื่องของธรรมะธรรมชาติให้มีระเบียบในการกินกายต้องการกินแค่ไหนใจก็ไปตักแค่นั้นไม่ให้มันหลงไม่มันเลือยกายกับใจใมันสัมพันธ์กันนะให้มันเป็นหนึ่งเดียวความต้องการของกายกับใจเป็นอันเดียวกัน ไม่ได้ห่างกันเลยอย่างเงี้ยเรียกว่ามันสามัคคีกันมาเริ่มเป็นสมาธิสมาธิคือวัดตรงความอยากกับการกระทําเนี่ยมันเสมอกัรนันะ่นแหละเรียกว่าคนมีระเบียบยังมีการภาวิตากายรู้จักอบรมกายกับอบรมจิตเนี่ยมันเสมอกันมันเท่ากันนะคือมองปุ๊บรู้ทันทีว่าขนาดไหนอะไรยังไง ร, รูปรสกลิ่นเสียงนะที่เราจะมาใช้กับชีวิตประจําวันเรา อาหารยารักษาโรกที่อยู่อาศัยเครื่องลุกขมพอดีเจ็บป่วยขนาดนี้ดูตัวเองออกว่าป่วยจริงป่วยไม่จริงป่วยเท็จป่วยไม่เท็จนะดูออกวัเนี้ที่ว่าเราเริ่มมีวิ น, นัยเับสังเกตตัวเองเป็นการรู้รูปนาม ก, กา็ทำให้เกิดความเข้าใจในการดูตัวเองเป็นนี่แหละรู้รูปรู้นามฝึกกายฝึกใจรู้สึกตัวเองได้ แล้เวเวลาพัฒนาตัวเองทางกายการนุ่งการห่มการทื้อการไป ก, รกันมาอะไรมันจะพอดีเข้ามันนะ่ะการบริหารเกี่ยวกับกายมันจะพอดีขึ้นมาทํามำนั่นกับพอดีทํานี่กับพอดีกินพอดีนอนพอดีทําอะไรมันพอดีอ่ะคน ร, รู้รูปนามจิตมันจะเป็นแบบนั้นคือมันรวมหลายอย่างนะไม่ใช่รู้สึกตัวขึ้นมาที่เฉกมันจะเป็นรูปเป็นนามมันน่ะทีไม่ใช่อะมันต้องสแสดงออกทางการปฏิบัตินะ จิตจะเริ่มมีพระวินัยในตัวเองจิตของเราเนี่ยมันมีอยู่สามพระที่จะมาอยู่นี่ยเขาเรียกว่าแก้วสารพัดหรือพระไตรปิฎกนะมันมีหนึ่งพระวินัยเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือยังพระวินัยตัวเองมีวินัยในตัวเองหรือยังนะมีวินัยในตัวเองหรือยังเอาทุกออกจากกายตัวเองได้ไหมถ้าเอากายออกจากตัวเองได้ก็แสดงว่ามีวินัยทางกาย มใม่ความห่วงครอบเงาไม่ความอยากความยุ่งเกินประมาณในเขา้าครอบงาม <c oughs> เอาออกได้การนุ่งห่มการอะไรทําที่เกินฟุ่งเฟือยเนี่ยขาดความพอดีควางามเนี่ยแสดงว่าคนนั้นมีวินัยในกายมีวินัยในกายมีความพอดีนั่นแหละเขาเรียกว่ามีธรรมะในขั้นระดับมีวินยัยนะไม่ใช่วินัยสองรอยิบ็ดข้อสามร้อสี่ร้อยข้อไม่มีประโยชน์กับชีวิตเราอะ น, นั่น <c oughs> อันนี้คือวินัยชีวิตอันนี้วินัยเป็นพรเครื่องมือนําทุกออกจากชีวิตได้อะไรก็ตามที่สามารถนําทุกออกเจ็บชีตได้เขาเรียกว่าพระวินัยถ้าวินัยธรรมดานี่ไม่เรียกว่าพระนะวินัยธรรมดานี่ไม่เรียกว่าพระแต่ถ้ามันเป็นของดีของสูงคือของที่เกี่ยวกับจิตใจนี่เขาเรียกว่าพระวินัยนะหมาบ้านนอกนี่เขาเรียกว่าธรรมดาหมาบ้านนอกไม่เรียกว่าพระหมา แต่ถ้ามาในข้างในเ็าเรียกพระทองแดงมันได้เป็นพระไม่ได้บวชนะไม่ได้บวชแต่ก็ได้เป็นเพราะมันดีเนี่ยควายก็เหมือนกันถ้ามันไถนาในวันแรกนะขวาเขาเรียกว่าพระโคก็ไม่ได้บวชเหมือนกันนะแต่ว่ามันดีมันมีคุณงามความดีของมันเองมันก็ได้เป็นพระต่มาแนนเหมือนกันนะ วินัยอะไรที่เกี่ยวกับการดับทุกข์วินัยเกี่ยวกับใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าพระวินัยอันนี้พระวินัยพระวินัยพระวินัยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องออกมาจากจิตเราเองนั่นแหละฝึกจิตรู้จักเอาจิตมาบริหารกายนี้ได้เรียกว่ามีความเป็นพระวินัยที่เกี่ยวของกับกาย ร, ก ร, ร, ก ร, รู้จักรูปเนี่ยรู้จักรูปน้ํารู้จักรูปเนี่ย และบริหารรูปเป็นไม่ทุกข์กับรูปไม่เป็นธาตุของรูปไม่ติดในกามในกายในรูปเห็นไหมมันสามตัวมาพร้อมกันเลยในกามในกายในรูปไม่เมาในกายในรูปในกามเราติดติดความใคร่แล้วก็ติดกายนี้อ่ยินดีพอใจกับกายนี้ ในรูปนี้รูปที่เห็นนั้นรูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันรูปใกล้รูปไกลรูปตัวเรารูปตัวเขารูปที่เข้ามาทางตารูปที่เกี่ยวพันทางมโนทวารรูปที่เกิดขึ้นทางทางจิตแวบขึ้นมาเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนอยู่ในใจเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันกว้างมากอารมณ์รูปนามเนี่ยนั้นให้เรารู้สึกสัมผัส กับอารมณ์มานีให้ได้ถ้าเข้าใจนี้อารมณ์รูปนามก็ปรากฏแล้วก็จะมีวินัยในตัวเองวินัยที่มีความอิสระในตัวมันมีอิสระอิสระในการบริหารชีวิตนะชีวิตคือกายกับใจนะชีวิตเนี่ยคือกายกับจิตมาอยู่รวมกันเราต้องการให้มันเป็นแบบไหนนะ ตกเป็นธาตุของความรู้สึกนะหรือกายกับจิตด้วยกันแบบเป็นธรรมชาติไปอะไรเกิดขึ้นการ บ, บริหารตามธรรมชาติตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นละไม่มีอุปทานไม่มีทุกนะมันไม่มีทุกแต่นี้มันจะเป็นทุกถ้าเราไม่รู้จักเนะี่ยนั้นเขาจึงให้มีพระวินัยในตัวเองนะมีพระวินัยที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมสติพอฝึกสติปุปความบริหารกายแล้ว การบริหารนั้นทาด้วยการด้วยความมีรละเบียบวินัยนี่เขาเรียกว่าพระวินัยนี่พระวินัยที่ในอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเขาให้มีมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่เราจะพึงสังเกตได้ในตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่า เอาตำรามาตรวจสอบว่าเรามีวินัยทางกายจริงไหมมีธรรมะธรรมะชนิดนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยธรรมะต่อไปนี้จะเป็นธรรมะที่ขั้นสูงหรือว่าขั้นลึกเขาเรียกว่าอภิธรรมเนี่ยเมื่อกี้นี่เป็นพระวินัยแล้วมาฟังมาศึกษาเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยสุตะเนี่ยหรือเรียกอย่างนี้ว่าพระสูตรฟังทุกวันทุกวันทุกวันที่เราให้ฟังเนี่ยเล่นนั้นเล่นแล้วก็จําไปไปพินิจพิเคราะห์ ไปปฏิบัติเป็นกําลังจิตกําลังใจเป็นทิฏฐานุกติฟังดูแล้วเอาไปศึกษาไปทําตามอไปเปรียบเทียบไปให้กําลังใจตัวเองนี yeah. ่แล้วก็ปฏิบัติเป็นประศุถ้าทําให้มันเกิดทีนี่สภาวะธรรมที่ปรากฏในจิตเราแต่ละอันแต่ละอันเนี่ย<ๆ>เขาเรียกพระอภิธรรมอย่างที่เราสวดไปเมื่อกี้เนะ่ะมีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องแบบนั้นแหลอะอภิธรรมอภิธรรมก็คือเรื่องที่มันลึก ที่เราเคยไม่เคยรู้นะเราก็มารู้อย่างที่เขาว่าอา้าวปฏิบัติธรรมมีระเบียบวินัยในตัวเองแล้วก็ดูเรื่องใจนะเรื่องใจอภิแปบลบว่าเรื่องจิตใจถ้าธรรมะธรรมดาธรรมดาก็คือเรื่องรูปเรื่องนามนี่อภิธรรมคือเรื่องใจมันจะลึกเข้าไปไหนอย่างเขาว่ากุศลธรรมมากุศลากุศลานะ กุศลาก็ค <c ru es> wow ือกุศลกุศลาในกุศลไม่ใช่กุติศาลานะกุศลากุศลากุศลกุศลาธรรมาธรรมะชนิดที่เป็นกุศลกุศลก็แปลว่าดีแปลว่างามนั่นแหละนะธรรมที่เป็นกุศลก็ดีอากุศลาธรรมมาธรรมที่เป็นอากุศลก็ดี อพยากตาธรรมะทำที่เป็นกลางๆ ก, ก็ดีมันอยู่ตรงไหนลนะ่ะอยู่ที่เรานี่แหละบางทีก็คิดกุศลบางทีก็คิดอกุศลจิตเราเนะี่ะเห็นมันบ้างไหมเขาก็ให้มาดูไม่ให้ให้มาดูทำพวกนี้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยคนทางโลกโลกเขาไม่ได้ดูเรื่องแบบนี้แต่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาให้มีสติและลึกรู้จัดการเรื่องกายเรียบร้อย รูป ร, รู้นามดีๆแล้วเราก็มาเฝ้าดูกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอภิญญาตาธรรมะเนี่ยมาเฝ้าดูวันวหนึ่งเราดูอันนี้ไหมก็ดูอันนี้แหละดูจิตมันคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีคิดชั่วก็มีกลับไปกลับ ม, มาบางทีคิดไม่ดีทั้งวันก็มีคิดเั่วทั้งวันก็มีเฉยเฉยน้อยนึงก็มีแต่ก็ดูโอ้วันนี้มันเยอะเนาะ อ, อันนี้เยอะอันนี้น้อยอนนก็ดูอีกนี่ย เ, เราดูอพิธรรมนะแต่ละวันศึกษาอริธรรมไม่ต้องไปดูตำราไม่ต้องเรียนที่อริธรรมนั่นเ ร, รนนียนอริธรรมนี่เสียเวลาเวลาดูอพิธรรมที่อยู่ในใจถ้าเราดูเราตัดได้ตัวนี้เรากดพ้นทุกแต่ถ้าเราไปดูตำรับตำราเนี่เราไม่เห็นมันเกิดขึ้นในใจนี่ดูตำราเผื่อมาดูอันนี้มันเต็มแล้วมันเกิดขึ้นมากมายแล้วให้เราก็มาเฝ้าดูอริธรรมในใจเรานี่แหละ อภัยกาตาธรรมะกตามีธรรมะอุสลาจสมิสมยเยวจลังกาลกุสงมิสมยเยกามาวจลังอุสรางจิตังอุปนังหติโสมนสสสัตยานสัมปยุตปลมณวาสตลมณวาลมณวาธมลมณวาธมลมณวายังวาปนาลปมิสมเยอนดปติปติจตกมีตธมธมธะ มีแต่ธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะแบบนี้ธรรมะแบบนี้ธรรมะแบบนี้ธรรมะแบบนี้ธรรมะก็คือตัวธรรมารมธรรมารมธรรมะที่เราควรดูนะธรรมะที่เป็นเป็นประโยชน์อย่างจริงเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็ได้แก่จิตเมื่อที่ไปเรียนอริยธรรมเขาจะให้เรียนจิตจิตจิตจิตจิตจิตคือสภาพรับอารมณ์ จิตเราเนี่ยสภาพรับอารมณ์มันเฉยเยนะตอนนี้แต่มันกระรับอารมณ์ต่างๆว่าจมูกอินกายใจเข้ามาจิตนะดูจิตจิตเฉยเห็นไหมจิตเฉยเห็นไหมดูดีๆย้อนี้จิตเป็นยังไงจิตเฉยบางทีก็ไม่เฉยตั้งหน้าทะลุทะลาขึ้นมาบางทีจิตอนั้นเรียกว่าจิตจิตจิตเพราะมันคิดได้อย่างวิจิตพิสดาณเราจึงเรียกว่าจิตจิตเป็นสภาพรับอารมณ์ แล้วก็ดูสักพักหนึ่งก็จะมีตัวที่มาปรุงแต่งจิตเขาเรียกว่าสังขารแต่อันนี้เขาเรียกว่าเจตสิกจิตเจเจเจเจเ จ, เ จ, เ จ, เ จ, เจ ต, ส, เจตสิกเจตสิกหมายถึงอารมณ์ที่มันมาเกิดขึ้นกับจิตพอมาเกิดขึ้นกับจิตแล้วมันจะปรุงแต่งไปนั้นเราเห็นมันเฉยเฉยถ้าคนไหนกำหนดรู้ปรมัตถธรรมสังเกตดูตัวปรมัตถสัจจ์ปรมัตถธรทรมพวกนี้ จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งถ้าดูบ่อยเนี่ยจิตจะพ้นจากทุกเนะี่ยดูจิตดูเจตสิกที่เกิดกับจิตเนี้ยบ่อยๆอเจตสิกอารมณ์ที่เกิดกับจิตเห็ น, นแวบเข้มาแล้วมาเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปทิ้งไปเห็นจุดบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆมากๆมันลืมเลิกเอาไหมลืมเลิเกเอาไหมทําใหม่เรื่อยๆ กลับมาอยู่ที่จิตที่จิตแล้วอีกสักพักหนึ่งถ้ามันไม่มีเจตสิกมาปรุงแต่งจิตเราก็จะเห็นรูปรูปกายของเราเนี่ยที่เดินไปแล้วก็จะเห็นรูปอดีตอดีตที่มันไปคิดอะไรอะไรยังไงนะนะนะนะรูปมันอนะรูปปัจจุบันด้วยรูปอดีตด้วยอุปาทายรูปด้วยนะเป็นชวนะแต่ละครั้งที่มันปรากฏเกิดขึ้นเราเห็นมันนะ่ะ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะรูปมันเป็นอย่างนี้มันเกิดมันดับอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันเกิดมาแล้วก็ดับแล้วใหม่ๆนี่เราเห็นการเกิดดับของความคิดเห็นการเกิดดับของอารมณ์นี่เขาเรียกว่าเห็นการเกิดดับในรูปในนามอะไนี่แต่ไม่ใช่เห็นการเกิดดับในปรมัตารย์มันเป็นการเกิดดับแบบสมมุติอย่างความคิดเกิดดับเกิดดับไปก็เกิดอีกอย่างเงี้ย ความม่วงดับไปก็เกิดมาอีกแต่เราเกิดมาตอนไหนเราดับได้ตอนนั้นเห็นบ <cabbage. S 1> ่อยๆทาให้มันดับบ่อยๆจิตเยตะิกเยตะิกเกิดก็เห็นแต่ถ้ามันไม่มีเจตะิกก็เห็นแต่เป็นรูปเห็นรูปบ่อยๆเห็นรูปเกิดดับไปเรื่อยๆอีกหน่อยดับได้ดับได้แต่ว่ามันก็ปล่อยวางจางคลายบางลงบางลงบางลงมันก็หดก็หายไปเรื่อยๆเหมือนเราทํำสะอาดเราขัด พื้นเนี่ยขัดไปขัดมาขัดไปขัดมาเดี๋ยวมันก็เป็นมันนะพื้นเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนกันขัดทุกวันใจเราเนี่ยไปอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่ที่ทํางานนะยางขัดเข้าตาสามห่วงเนะี่ยขัดดีนะขัดก็สะอาดพื้นเราขัดอยู่บ่อยมันก็สะอาดข้าวสารขัดบ่อยๆก็สะอาดก็บเขา โซฟาเนี่ยขัดบ่อยๆเป็นมันใจเรานี่ถ้าขัดบ่อยๆมันจะสะอาดแต่เรานะี่มึงจะมาขัดใจกูนะแน่นะไม่ให้เขาขัดใจไม่ให้ขัดขัดใจมันก็จะขี้ทูดกุดถังแหละเต็มไปหมดใจในกัขัดบ่อยๆขัดบ่อยเข้าบ่อยเข้านะจากรูปธรรมดาก็จะเป็นรูปสวยรูปงามนะกลายไปเป็นนิพพานเนะน่ยนิพพาน นิพพานนิพพานนิพพานคือมันไม่มีแล้วรูปมาก็ไม่มีอะไรเลยนะผ่านเลยไมนได้มีนั้นเขาบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมเราก็มาเฝ้าดูให้เห็นจริงจิงชีวิตไม่ได้มีอะไรเ็เฝ้าดูดูมันดูรูปมันเกิดถ้ารูปเวทนารูปรสกลิ่นเสียงผัสสะเกิดขึ้น ถ้าเราสังเกตและเลีกรู้ทิ้งมันได้ปล่อยวางมันได้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แ ก, ก่ปล่อยวางมันเป็นจิตเราไม่ติดจิตเราก็จะมีแต่ตัวเ อ, อิบอิ่มอ่ะมีแต่ตัวปีติตัวเ อ, อ่ยโอ้ไปนนี้เนนะาะไม่ติดความคิดไม่ติดอารมณ์เนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านได้รู้สมมีความยิ้มอยู่ในใจอ่ะว่ามันชนะได้ปล่อยได้วางได้ไม่เป็นทุกข์กับมันแล้วสังเก็ตไฟดิดต้องมาติดค้างนะดีอ่ะ อันนี้ไม่ท้างเราปล่อยได้ปล่อยได้อะไรมาปล่อยได้ปล่อยได้ไาไดไดวางได้วางได้มันก็สงบสงัน่นจิใจเนี่ยมันจะสบายขึ้นว่านั่นเขาต้องบอกว่าโอ้ให้รู้นะจริงๆเนี่ยอถ้าทํานี้ได้อิเทมิธรรมกุศลาทําทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยอิเมเนี่ยจะเป็นกุศลและทำทั้งหมดเลยจะไม่มีอกุศลเกิดขึ้นในจิตคุณเนี่ยเวลาเราไปฟังสวดศพเขาจะสวดอย่างนี้ เ ข, เขาจะสอนเราแต่เราไม่ได้ฟังเขาไม่ได้สอนเราแบบนี้เราก็นึกว่าสวดให้คนตทยนะแต่จริงสวดให้วัตถันทั้งหลายนี่กําลังจะตายนี่แหละฟังนแล้วก็ไปฟังเอาฟังเขาสวดบดนั้นบนนี้เราก็เข่มเข้าใจโอ้เป็นอย่างงี้เนาะนี้นะนนะถ้าเป็นอย่างนี้มากรนหนาตายเรานะหน้าตายพอฟังแล้วมันเข้าใจอืเขาพูดถึงอารมณ์กรรมฐานนะ อารมณ์อภิธรรมเนี่ยทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ต้องมีในจิตเกิดมาชาติหนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องมีต้องเข้าใจต้องเข้าถึงไอเนี่ยถ้าเข้าถึงได้เราก็จะแจ่มแจ้งได้ในสภาวะธรรมอันนี้ทุกเราก็จะไม่มีในใจเราเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันเราจะทุกข์ทุกข์เพราะเราเข้าไปอยู่ในกระบวนการอันนี้ทั้งหมดเลยไม่รู้เรื่องเลยธรรมะเป็นรูปเป็นนามยังไงก็ไม่รู้ ธรรมะแบบระเบียบวินัยก็ไม่มีมีแต่ระเบียบวินัยในสํานักงานนะฮะแต่ธรรมะวินัยที่อยู่ในใจไม่เคยมีไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยดัดไม่เคยขัดไม่เคยเกาอย่างมาปฏิบัติธรรมอ้าตั้งใจนะปฏิบัติธรรมน่าจะโนนี่โอ๊ยปฏิบัติไม่ได้ละพระสอนก็ไม่ได้พระบอกก็ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นแค้นเป็นโนนเป็นนี่ขึ้นมาเนี่ยจัดระเบียบมันไม่ได้นี่ยจัดระเบียบไม่ได้ก็ไปให้โยมบาลเขาจัดซะ พระจัดไม่ได้จัดไม่ได้เอากลับไปอยู่บ้านให้ผัวจัดให้ให้เมียจัดให้ให้ลูกให้ล้านให้สังคมจัดให้นะคนไหนใจไม่ค่อยดีในไปอยู่ในสังคมคนไหนเขาจัดก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกจัดไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะเราจัดกันเองโดยไม่ได้หวังอะไรเนี่ยจากเราเนี่ยก็ยังจัดไม่ได้ไปให้โลกเขาจัดเขามีแล้วเขาจัดแบบ มีความปรารถนาดีไม่มีนะมึงทาตามกูนะถ้ามึงไม่ระวังนะมึงได้ออกนะอะไรประมาณนี้นนะแต่เราก็ไม่ได้คิดปปนานนะก็เลยยากลําบากชีวิตเนี่ยนะนั้นอยู่ในโลกนี้อย่าอยู่แบบมีตัวตนอย่าอยู่มีแบบมีตัวตนคำวา่ามีตัวมีตนคือมีตัวสักกายทิฏฐินั่นแหละนะอย่าให้มันมีสําคัญมันหมาว่าในกายนี้ รูปกูกายกูใครแต่ต้องกูไม่ได้เนี่ยอันนี่ระเบียบวินัยนี่มันจะสลายมันนําความพอใจไม่พอใจนําความตัวตนออกไปได้เนี่ยเขาเรียกว่ามีวินยัยวินัยยโลเกปิชาโทมนัสร้างนําความพอใจและความไม่พอใจในกายนี้ในโลกนี้ในจิตนี้ออกเสียไดเ้เรียกว่าคนมีวินยัยทางมพระเนี่ยคนมีวินัยในตัวเองวินัยในกายนี่เขาเรียกว่ามี จิตรู้จักรู้รูปรู้นาะมมันเป็นเวียงรูปเพียงนามไม่ใช่ตัวกูของกูอเงี้ยนะถ้ามันเห็นว่าเป็นตัวโกงโกงกูมันก็ไม่อยากเอาออกมันไม่อยากเอาออกไม่อยากปลดไม่อยากปล่อยไม่อยากวางเพราะเอาออกไปทำไมเนี่ยนะกูเนะี่ยชีวิตกูนะมันต้องมีอันนี้นะเว้นไว้แต่วออมันไม่ใช่กูมันถึงจะ อ, ออกได้อันอยาจโยมทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติมาภาวนาทําการเคลื่อนไหวไปมาเนี่ย ก็คือมาทำตัวอภิธรรมให้ปรากฏชัดทุก ข, ขั้นทัอันกริยายะปัญญาเยธาติทำจะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ทุกเนี่ยทำไมจึงจะปรากฏชัดทำยังไงทุกพวกนี้จึงจะปรากฏชัดปรากฏชัดเห็นแจ้งตามหลักของอภิธรรมเนี่ย ที่เราสวดไปเมื่อกี้เมื่อกี้อ่าจนทั้งตุปัจโยอรัมนาปโยอธิปัจโยอนันตปโยสมัโยสัจจปโยนิสยาโยปนิสยโยปุเรชาตปโยปเจตปโยอันนี้มันจะปสวดไปนะจนวอนิจวตสังราอนิจจอนิจจอนิจังอนิจจาสุดท้ายเนี่ยเาสอน อันนีจา่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงนะอย่าลืมนะมันไม่เที่ยงนะคุณจะคิดว่ามันเที่ยงนะสังขารเนี่ยสังขารคือกายนี้รวมอยู่นี้ทั้งหมดสังขาร น, นี่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรคงทนถาวรเกิดเกิดดับดนะฮะเกิดสั้นบ้างยาวบ้างแต่สังขารในจิตนะ่ะเกิดและดับตลอดเวลามันคิดขึ้นมาเรนี่ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันก็ดับนะฮะ ที่อยู่ในใจเราเนะี่ยท่านให้เราเห็นหรือเราจะคิดว่าเป็นตัวคนหรอตัวกูของกูหรือตัวมึงเหรอตัวมึงตัวกูมันไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวมึงตัวกูท่านบอว่าปุคาโรบาลปติสัจจิกะดะปรมัตเธนติคิดว่าเป็นบุคคลเหรอือในปรมัาทไม่มีคนนะนะคนหาบุคคลไม่ได้ในปรมัาทไม่มีคน แต่ในสมมุตินะี่ยมีคนใครคนไหนคิดว่าในปรมตภิมีคนคนไหนคิดว่าคนนั้นจงนู่นิี่หาเถิดจงรู้นี่คหาเถิด ค, คือสมควรได้รับการตําหนิติเตียนนะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นคนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยตัวกูตั ว, ต ว, ตวมึงเนี่ยมึงรู้หรือเปล่ากูเป็นใครเนี่ยมาเอากูเป็นใครนะ ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่าเบี่ยนตัวเป็นต้เ น, ตนเดี๋ยวนี้เราเป็นทุกข์เพราะอันนี้แหละเพราะเราเห็นบิดไม่ได้เห็นว่าเปลี่ยนเพียงรูปเป็นนามเป็นถาดเป็นคันนะปุฆาโลุปลปติสัจิกัฏฐะปรมาทิยนาติอามันตโยสัจิกัฏโตปรม า, า, ต า, ตาโตตตโตโซปุฆาโลุปลปติเนี่ยค้นหาบุคคลไม่ได้ในปรมาติในปรมาทิที่ไม่ได้มีเนี ปรมัดโดยปรมัต่สัจจะไม่ได้มีอันนี้เอาเนื้อเอาหนังเอาเว็นเอาอะไรมาต่อกันเข้าก็เลยเป็นตัวรูปร่างอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งสมมติว่าีนั่นบักนี่ก็ไปชื่อนั้นชื่อนี้ประกอบกันขึ้นมาก็เป็นตัวคู่ของกูแต่ว่าจิตเรามันมันถูกกับวิชาครอบงําแล้วว่าเขาสมมติว่าชื่อนี้นะบางคนเปลี่ยนชื่อตั้งแปดครั้งกว่าจะตายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอยากให้มันทื่ฉโลกเนะี่ยไปดูนะ นะเทพพยากรณ์โอาดูแล้วตำราพรหมชาติพรหมเชิตเนี่ยดูแล้วอา้าวชื่อนี้จะร่ำจะรวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นแต่มันก็ดูดูแล้วก็เปลี่ยนชื่อยาวแค่วา่าในนามสกุลมันมนะนะอริยะอะไรนะว่าไปนะอริยะวอรเสถาอะไรประมาณนั้ น, นนะเสถีผู้ประเสริฐผู้บรรลุธรรมคือเกา่า มาปฏิบัติธรรมก็เหงานอนเหมือนเดิมอริยะแบบไหนก็เหมือนเดิมนะฮะมันอยู่ที่การฝึกฝนไม่ได้อยู่ที่ชื่อมนอีนามสกุลนะคนจีนเขาไม่มีนามสกุลนะนะไม่ได้มีชื่อรวยไม่ได้ชื่ออะไรเขาก็รวยคนไทยใน ม, มีแต่นายรวยนะนายรวยนะนายมหากุศนายนโนท์นี่บริจาคห้าบาทนายรวย คนจีนนายแซ่เอ๊ะแซ่จกแซ่จ่างแซ่แตกตอกแซ่ฟาดบริจาคหนึ่งล้านบาทไหนเห็นไหมชื่อเขาไม่ไม่ได้เกี่ยวกันน่ะไมไ่เกี่ยวแต่คนไทยเนี่ยมันหาห า, หาเอาไปอะไรไมันไม่ได้เกี่ยวกันนั้นคนหาบุคคลเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ส่วนประกอบกันเฉยๆ น, นี่มันเอามาประกอบกันชื่อเสียงเรียงนามผมขนเล็บฟันหนังมาประกอบ บางคนก็ผมำดำๆนะาะพออายุมากขึ้นฟันล่วงมาแล้วก็เลยทำมันข า, ขาวๆแต่นี้เหมือนเด็กมีผมไฟนะทำแถวๆนีนะ้บางทีสะสวยงามแล้วก็วันหนึ่งก็เบื่อนายก็ทำเอาเยยวมาใส่ดึงขึ้นนะแล้วแต่จะทำเพราะอะไรเพราะมันมาปั้นแต่งรูปแต่งนามแล้วเพิน่าตั้งปั้นแต่งอยู่ใน ท่ามกลางบุคคลผู้มีสายตาอันโง่งหงายมองดุดดุถึงเหลือเกินวนะเนี่พอใจยินดีเ็าหลอกกันไปหลอกกันมากับเพลิดเพลินสังคมก็เพิดเปิดเห็นไหมเดี๋ยวนี้อยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนะมีแต่คนไปเห่ไปดูได้รับการตอนรับอย่างดีไม่ว่าไทยหรือเทศคนมันชอบหลอกไงหลอกดูทาต นะดูท่าดูขันมันเต้นจยอกๆแต่ก่อนยังมีฟอนมีดีลานอ้ น, นี่เดี๋ยวนี้ยังมีอะไรนะนะเอาหัวเต้นก็มีเดี๋ยนี่ลงตาดูเอาหัวเต้นก็หมุนไปหมุนมานุ่งกระเกงขาสัน้นหมุนอะไรโอ้ยกูละเบื่อนหน่านยะเพลงก็เหมือนกันเดี๋ยนี่ไม่เมนเพลงเอาเสลยลงตาฟังเพลงเปิดฟังเพลง แต่ก่อนนี้กว่ามันจะเป็นเพลงนะเสียงมันต้องอคํารามแต่ละครั้งนึงตั้งแต่ลังสิตไปจนติดบ้างพอินนะมันจะก่อนนะเดี๋ยวนี้เอาอันนี้มาใส่อันนั้นเอาอันนั้นมาใส่อันนี้ก็ดังเดี๋ยวนี้มันพูดเอามันก็ร้องได้ได้คนก็ดูโอ้ยดูหาอะไรนะมันพูดเอาก็ไปดูมันเอาตาดูแล้วมันมันบ้ากันนะเดี๋ยวนี้ ว่าเธอไปดูดิมันมีไหมมันไม่มีมันไม่มีอะไรนะเเต้นก็หมุนไปหมุนมาเตีอยงแกลังเก้อเลยมันเนี้ยนะบางทีก็อย่างว่านั่นแหละดูขาสั้นเหมือนดูขาสั้นดูขายาวบางทีก็นุ่งขาดแถวหัวเข่านี่ก้นขาดขาดไรขาดขาดเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นโรคนาทานกันทั้งบ้านทั้งเมืองะศีนเกาะกามิซุมิชาจระ ตอบมาไม่มีเป็นป น, นะเขาไม่พูดนะมุสาวตาอืมเรียกว่าอะไรนะนาทานเวลามันนี่มันไปไกลแต่นี่ไม่รู้เป็นโลกอะไรแหละเพราะว่าศีลทํา ม, มันขาดหายไปหมดปลงคนไม่เข้าใจไงจริงๆถ้าควรจะเข้าใจคนจวรจะจริงๆโลกนี้มันไม่มีอะไระพัะธุ์ไม่มีอะไรแต่เรายึดยึดยึดยึดยึดว่าเป็นของเรา ยึดทุกอย่างเป็นของเดี๋ยวนี้มันเห็นนะมันเป็นแต่มันเป็นของมันนะไม่ใช่เป็นของเราเนะ่อันนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่ให้ป่วยไม่ให้ใครได้ไม่ได้นะไม่แก่ไม่ได้ไม่เจ็บไม่ได้ไม่เมื่อยไม่ได้แล้วที่สําคัญก็คือมันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วแล้วจิตเราดันมายึดมันเนี่ยแต่ถ้ามายึดมันพอมันมายึดมันเลยเป็นทุกข์ทีนี้ไม่ให้มันมายึดเดี๋ยวให้มันเป็นธรรมชาติมันใช้เท่าที่มันเป็นใช้ที่มันเป็นเป็นเครื่องระลึกรู้เฉย เป็นเครื่องระลึกรู้อันนี้เหมือนรถนี่แหละมีหน้าที่ขี่ก็ขี่ซ่อมก็ซ่อมแต่ยึดว่าเป็นของกูเพราะมันผุพังไปได้อาอยุมันเท่านั้นปีท่านนดิมะก็ผุพังสลายหายไปเหมือนกันเล ย, ยนั่นคือว่าร่างกายนี้โดยประมัติมันไม่มีอย่ามาหาค้นหาบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนี้มันเป็นสมมุติขึ้นมาเฉยเฉยสมมุติ เอาผมขนเร็บฟันดินน้ำไฟลงมาประกอบขึ้นอุปมาเหมือนท่านพูดนะอุปมาเหมือนรถเอานั้นมาใส่เอานี้มาใส่มาประกอบขึ้นเป็นล้อเป็นเกวียนเป็นเพาเป็นอะไรมันก็เคลื่อนที่ไปได้เหมือนกันแหะชีวิตที่ก็เหมือนกันแหละมาประกอบกันขึ้นนี่แล้วมันก็เคลื่อนที่ไปได้แต่เราก็ยึดมันนะยึดมันเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นเราเป็นเขาน่ะอันเราจึงพยายามที่จะรู้กายของเราในแบบเฉยเฉยรู้เฉยเฉยไม่เมากายอ่ะ ไม่เมากายไม่มีกายกูกูไม่มีว่ามันป่วยเลยมันป่วยเป็นเรื่องของกายป่วยไม่ใช่กูป่วยนะไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต้นไม่ไรแมไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นธรรมชาติแต่จิตมันยังไม่ยอมรับเหรอมแสดงว่ามันไม่มีสมาธิพอมันยังรู้สึกว่าเป็นเราอยู่แล้วก็ต้องฝึกสติให้เยอะๆนะพยายามเลยลึกลู่ไม่คิดออกไปข้างนอกบางทีมันนึกถึงลูกลามไปนะเอ๊ะลูกกูทําไมไม่มาดูกูวะ กูป่วยแล้วเนี่ยกูดูแลมันมาแทบตายนะกูเลี้ยงมันมาหมดกูไปกีนร้านแล้วเนี่ยไม่ไม่สนใจกูกูเนี่ยมันมีกูขึ้นมาอีกแต่มันอยากให้มาดูกูนะแต่ลูกมันก็เบื่อหน่ายแทบตายมันไม่ยากเห็นพ่อกูเแม่กูอะไรนแต่เราก็คิดนะมันเป็นตัวกูของกูขึ้นมามันยากอาหารการมะมมังการเป็นเราเป็นของเราจิตมันคิดนะเพราะอะเพราะมันไม่อยู่กับปัจจุบันไง นั่นต้องฝึกต้องฝังฝังสติเขาเรียกปลูกฝ<ฟ><ง>ังคุณธรรมให้อยู่กับกายให้ได้ถ้าสติมันอยู่กับกายไม่ได้มันไม่เลื่กรู้อยู่กับมันไม่เกิดการรู้แจ้ง D, อันนี้เพราะมันไม่มีสมาธิอยากเราจะดูอะไร furry, สักคนในตาเราเป็น veis, อย่า ง, งานี้อย่างนี้อยู่หนิเราจะเห็นชัดเหรอมันไม่เห็นชัดนะนั่นเราต้องนิ่งก่อนจิตเราต้อง น, นิ่งก่อนให้มันสงบก่อนมันสงบสงบสง บ, สงบแล้ว ค, ลค่อยดูอะ่ะรถมา ก, ก็ดูเห็นได้นะอะไรเกิดขึ้นก็เห็นรูปก็ดูรูป ชัดเจนแต่ตัวเราก็ยังสายใจยังมีเป็นตัวกูของกูอยู่เนี่ยเวลาจะมาดูรูปนี่มันต้องเป็นรูปแบบมันลายหูลายตาเหมือนเดิมมันไม่เป็นให้เพราะใจมันไม่มีสมาธิเขาเรียกว่ามันไม่อยู่กับรูปกับนามต่ก็พยายามที่จะให้มัน ล, ลึกรู้ตัวล่ะนะให้อยู่เสมอจนทั้งว่ามันเป็นฌานฌานสามารถเพ่งมองก็เห็นแล้วนี่ดูยัยงไงก็เห็นเคยดูไหม เวลาเราดูเชื้อโรคนะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไปส่องกล้องส่องแว่นขยายนี่มันต้องตั้งใจส่องจริงๆนะอย่างเงี้ยมันถึงจะเห็นนะไม่ใช่ว่าส่องแบบลูกหักลูกหลักลูกเร่ๆๆๆๆๆๆๆมันไม่เห็นหรอกอันนี้แล้วมันก็ไม่ชัดไม่รู้ว่าอะไรปไปเลยจะวินิจฉัยได้หรอือไม่ได้ยิ่งจะวินิจฉัยรูปวิิชัยในอหามเนี่ยวิจัยตัวตนเนี่ยวิจัยธาตวินิจัยขันเนี่ยเขาเรียกว่าทำมาวิจัยนะ ย, ยิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ ว่าใจเราไม่ตั้งมั่นมันมีแต่เรื่องกูเวลาเจ็บนี่โอ๊ยใจมันเจ็บแล้วมันสําคัญว่ากูแล้วเนี่ยพอมคิดว่ากูแล้วมันจะจะดูออกเลยว่าขาเนี่เป็นธาตุไม่ใช่บคุคคลคนหาบุคคลไม่ได้ในปรมาภูมิไม่ไไม่ใช่กูเราไม่ใช่ขากูไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ควรยึดมั่นถือมันไอ้ความยึดมั่นถือมันน่าจะปล่อยนะจะวา่าให้เห็นดึงเอาความยึดมั่นถือมั่นออกแล้วเห็นเป็นขาเฉยเฉยเนี่ย สมมติว่าขาน้เนื้อนี่มันประกอบกันขึ้นเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันมันไม่เป็นใหน้แต่เขาบอกว่าดูดีๆมันไม่มีบุคคลถ้าว่าโดยประมาจาเนี่ยแต่ถ้าโดยสมมุติสัจจะเป็นคนวัดสมมุตินายดำนายแดงนายเขียวนายเหลืองสมมติว่าเป็นหัวหน้าสมมุติว่าเป็นลูกน้องสมมุตินี่เพื่ออะไรเพื่อให้มันสะดวกในการเรียกใช้ ะนี่เป็นลูกนะนี่เป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่สมมติว่าเป็นพระนะเนี่ยเป็นพระพระนั่งข้างบนพระนี่พระนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่สมมติว่าเป็นโยมนะสมมติว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารตำรวจพระเทนเจียสมมติกันเป็นพี่นะเป็นน้องกันนะเพราะอะไรเพราะให้รู้จักสมมติแล้วใช้สมมติให้มันเป็นแต่ไม่ให้ยึดติดสมมติ นะไม่ยึดติดสมมุติเอาคนนี้มาก่อนคนนี้มาหลังเราก็รู้จักนะรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นใดนะเพื่อให้ใช้สมมุติสะดวกให้เคารพเหมือนพระนี่แหละนะเข้ามาตามอายุพรรษาพระเห็นพระอ้างพรรษาหมาเห็นหมาอ้างฟันเอาฟันให้กระดูนนะี่คุณวันรุ่นไหนนะอายุแกแล้วนะฟันยาว มามันจะกลัวเอาฟันให้กันดูมันก็ถอยหลังมาหางจูตูดไปเนี่ยแต่พระนี่เขาจะถามกันก่อนท่านอายุพรรษาเท่าไหรแล้วเจ็ดสิบอ้อต้องกราบแล้วเนี่ยต้องกราบต้องไหวอายุมากพรรษามากแต่อายุพรรษาแสดงว่าฝึกหัดมานานน่ะเจ็ดสิบปีนี่ฝึกหัดมานานแสดงว่าต้องรู้ทำมาขั้นสูงแล้วเพราะวันวหนึ่งฝึกเนี่ยขนาดเราฝึกสี่วันในยังขนาดนี้ถ้าฝึกมาเจ็ดสิบพรรษาแล้วจะระดับไหนดังนั้นก็ ระดับปรมาจารย์ละ่ะอท่านพระอุโสท่านผู้อุโสขออภัยกราบข้าพเจ้าตาไม่มีแววขออภั ย, ขออ ภ, ยขออภัยกราบชื่นชมยินดีนะฮะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอภัยให้อภัยให้ใหนะงเนี้ยก็ตามอุโสตามลําดับเกาไปวิจปฏิบัติก็รู้จักรุ่นก่อนรุ่นหลังเลยท่านนี่ให้รู้จักระเบียบพินัยโอ้อันนี้เป็นพ่อนะอ น, นี่เป็นแม่นะเคารพการตามนั่น แต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดนะไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่นับถือธรรมดานับถือแต่ไม่ยึดจนเป็นทุกนะอ้าวไปยึดทำไมอ่ะถึงเวลาตายมันก็ตายไปยึดไม่ให้มันตายมันก็ไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติทุกอย่างเนี่อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติที่เป็นไตรลักษณ์เกิดแก่เจ็บตายมันโดยธรรมชาติมันอยู่แล้วไม่ยึดมันเปลี่ยนแปลงเป็นไหมเปลี่ยนแปลงเป็นนี่ย วันหนึ่งเป็นหนึ่งวันหนึ่งเป็นหเปลี่ยนแปลงสุดโสมนะโดยธรรมชาติจิตใจก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยพอะต่างคนต่างไม่ได้ฝึกแล้วจะมายึดเอากายก็ยึดเอาไก่นี้ก็ไม่ได้พ่อกูนี่ก็ยึดไม่ได้อะแม่กูก็ยึดไม่ได้ถ้าจะมายึดเอาจิตใจพ่อกูแม่กูก็ไม่ได้ละร่างกายพ่อกูแม่กูที่ใจร่างจิตใจตัวกูแม้แต่ตัวกูกูยังเบื่อหน่ายตัวกูร่างกายก็เบื่อหน่ายจิตใจก็เบื่อหน่ายเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างใจไงแล้วจะไปยึดเอาอะไรโลกเนี่ย อันนั้นถูกอันนี้ผิดอ้าวอะไรถูกอะไรผิดมันไม่มีนะมันไม่มีแต่ว่าอันไหนที่มันพอสมมุติร่วมกันใช้เขาเรียกว่าสังคมสังคมสังคมคือเป็นไปด้วยกันพร้อมกันเห็นด้วยกันเน่ยและหลายคนมาตกลงเห็นด้วยกันเยสมมุติทางกฎหมายสมมุติทางระบบประเพณีสมมุติทางค่านิยมนะสมมติทางด้านวัฒนธรรมสมมติอะไรเห็นด้วยกันแล้วก็ตกลงกันเอาแบบนี้นะ แต่แบบอื่นไม่เหมาะสมนะอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมอันนี้ถือว่าผิดนะอันนี้ว่าถูกนะอะไรประมาณนั้นเนี่ยเราสมมุติร่วมกันแล้วก็ใช้สมมุติไปอย่างถูกต้องเท่านั้นเองแต่จะไปยึดมันว่าเอาเป็นตัวเป็นตนเอาเป็นเอาตายเนี่ยถ้าเอาเป็นเอาตายเอายึดเอามันถือมันเป็นตัวเป็นต น, ตนต ม, มาแล้วว่ามันทุกข์ทันทีะจิตเราเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ทันทีมันปล่อยมันวางไม่ได้ทีนี้ถ้าอยากให้มันเข้าใจ อภิธรรมมันนี่อยากให้เข้าใจมันแจ่มแจ้งคุณก็ต้องฝึกสติคุณให้มันตั้งมั่นนะไม่ให้มันไปปรุงแต่งอย่าให้มันยึดอย่ามันไปกับเจ็บอย่าให้มันไปกับกายอย่าให้มันไปกับเวทนาอย่าให้มันไปกับความคิดอย่ามันไปกับอารมณ์ให้มันอยู่เฉยๆให้มันเป็นเนี่เวลาทํำเนี่ยให้มันอยู่เฉยๆแล้วมันจะดูว่าจริงๆธรรมชาติพวนี้มันอยู่ทำของมันอยู่แล้วธรรมชาติพวเนี้ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าจะบอกก็ตามไม่บอกก็ตามนะทำมาช่าพวกนี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกให้เราทำใจเฉยๆนะให้มันเป็นชาเนี่ยมันตั้งมั่นนะให้มันเป็นยถาภูตยานนะยถาแปลว่าฉันใดภูตยานมันเกิดแบบไหนมันตั้งอยู่แบบไหนก็ให้เห็นแบบนั้นแต่ใจเราไม่ตั้งมั่นมันไม่เห็นแบบนั้นเพราะเวลาจะเห็นจะมองอะไรมันมีตัวตนอยู่ข้างในเน่ะที่มันซ่อนอยู่ข้างในเขาเรียกว่า กิเลสอาศัยเนะี่ยเรียกว่าอนุใสยอนุใสยที่มันนอนอยู่ในใจอ่ะที่มันสะสมเนะี่ยมันจะมองแบบ น, นั้นเลยนะมันตั้งหน้าตั้งตาตั้งทงไว้อย่างนั้นเลยผิดแน่นอนผิดรลฐธรรมนูญพวกนี้แน่นอนเลยนะมาตาที่ตะรนยึดยึดยึดยึ ด, ย, ดยึดมั่นถือมั่นหัวนะเป็นอย่างนั้นแน่ๆแหละแต่คนมันไม่คิดแันนั้น แทนที่จะมาฝึกจิตฝึกใจให้เห็นโอ้จิตมันยึดแบบนี้นะมันถือมันถือมันปล่อยแบบนี้นะต้องให้จิตมันมันปกติแบบนี้ไม่ให้มันไหลไปตามอารมณ์เราก็ไม่ทําซะเราไปยึดตัวบทที่เราสมมุติร่วมกันนะนะั่นแหละอ้าสมมุติก็ต้องตีความแหละทีเนี้ยใครเป็นคนมีอํานาจคนนั้นก็ตีความเข้าข้างตัวเองแหละทีเนี้ยเพราะคนที่ไปตีความก็คือมนุษย์นี่เองซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสเนะ่ มันเก็เอากิเลสไปตีความไปตามเรื่องน ะ, นะตีความนั้นคนหลายทั้งบวงก็เลยอยากได้อํานาจไงเดี๋ยวเนี้ยอยากได้อํานาจเพื่อขึ้นไปอยู่เป็นผู้ตีความเพื่อให้มันเข้าข้างตัวเองอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเห็นคนอื่นตีความไม่เหมาะสมกูบ้างละ่ะกูบ้างละ่ะถ้ากูได้ตีความแล้วก็แย่ยหมดละอดบ้านบดเมืองนี่นะถ้างั้นเอาสำหรับนั้นมาตีความสิถ้างั้นเอาเดินไปเห็นไหม เรามายุ่งกับเรื่องสมมตุติเพราะใช้สมมตุติมันไม่บริสุทธิ์มันไม่สะอาดมันไม่เสมอภาคมันไม่แล้วก็มันลุกลามไปจิตใจเนี่ยท่านปัญหาเนี่ยเราจะยึดเอาไม่สมมุติเนี่ยยึดไม่ได้ยึดไม่ได้อาศัยได้บ้างเล็กๆน้อยน้อยนะก็เลยว่าเอาประชาธิปไตยซะเอาประชาธิปไตยมาประชาธิปไตยก็คือเสียงส่วนมากนะประชามติ เอาเสียงส่วนมากเป็นประมาณแต่ประเทศไ ท, ย, ทยเดี๋ยวนี้ก็มีแล้ ว, ว่าเสียงส่วนมากนั้นเป็นคนบ้านนอกดูดิเสียงส่วนมากเนะี่ยเป็นคนบ้านนอกคนไม่มีการดึกษาดูดิสมมุติของคนบ้านนอกมันไม่น่าเอามาใช้เอาดิสมมุติอันนี้เป็นคนของคนบ้านนอกคนที่ผูกกระดมได้แล้วจะยึดอะไร เดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรยึดเลยอย่างเดียวคือต้องยึดทำนะฮะปชามติมันยึดไม่ได้อะไรก็ยึดไม่ได้นั้นสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมามันใช้ไม่ได้เพราะเราทั้งหลายไม่เคารพสมมุติพอไม่เคารพสมมุติไปเลยทีนี้สมมุติก็ได้แก่อะไรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายอะไรต่างๆนั่นเราคือสมมุตินั่นคืยึดเอาตัวปรมัตดยิ่งโดยโดยสัตย์จะทำโดยอริยสัตว์เนี่ย มันไม่เกี่ยวกับสมมุติเลยนะอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐอย่างทุกเนี่ยทุกเพราะความคิดอย่างเงี้ยนะเราจะสมมุติยังไงก็ตามสมมุติว่าคิดดีสมมติคิดชั่วก็คือทุกเหมือนเดิมขั้นปฏิบัติธรรมนี่คือเราต้องยึดตัวตัวปรมัตดแต่ไม่ได้ยึดตัวสมมุติยึดความจริงขั้นสัจจะแต่ไม่ได้ยึดความจริงขั้นสมมุติถ้ายึดสมมุติ มันมีปัญหาตลอดเวลาเพราะไทยคือคนสมมุติไทยที่สมมุตินะ่ะศินห้าสินแปดสินสิบก็คือสมมุติเข้ากับสถานการณ์เหมือนเดิมแต่ความคิดจิตเจตสิกรูปนิพานเนี่ยไม่มีสมมุติอันเนี้ยถ้าคุณอยู่กับความคิดไม่ว่าพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ฮินดูคุณทุกตลอดถ้าคุณปรุงแต่งแล้วคุณทุกตลอดเพราะว่านี่คือสัจธรรมเมื่อไหร่ที่คุณฝึกสติ คนก็จะพ้นทุกนะฮะพ้นทุกเมื่อไหนที่คุณเลยลึกรู้คุณอยู่ปัจจุบันคุณก็พ้นทุกเมื่อไหนที่คุณไปนับถือนับถือเทพนับถือผีนับถือเทวดานับถือก๊อตนับถืออะไรอย่างาเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติอยู่แหละนะสมมุติเอามาหลอกกันนะให้เรานับถือซึ่งไม่มีตัวตนคือจริงๆคือให้ใจสบายนั่นแหละให้ใจสบายอย่าไปยึดมา่นถือว่าช่างเถอะถือว่าเป็นกรรมเป็นเวีไปซ้าอะไรประมาณ นะกามเวรเทพเทวาพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสมมุติแบบหนึ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเพื่อให้ใจมันสบายแต่ความจริงพุทธศาสนาไม่ใช่แบบนั้นคือเขาให้ดูตรงๆไปเลยดูที่จิตที่ใจดีที่ดูที่ความคิดดูที่อารมณ์ที่มันเกิดเนี่ยนะว่าจริงๆมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมอย่าไปยุ่งกับสมมุติดูที่ดูที่ดูที่ว่าเราทบคนนั้นว่าให้เราคนนี้หมเราจริงๆมันมีคนจริงๆไหม มีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตนมีเรามีเขาจริงจริงไหมคนหาบุคคลในปรมาทมันมีจริงไหมจริงจริงมันไม่มีนะนั่ไม่มีมันไม่ ม, ม, ม, มีมันมีแต่เพียงอะไรเพียงแต่ธาตุแต่ขันนะัะญญติโยขันทัญญติอาญตนะพัญญติธาตุาตัญญติสั จ, จัญญติอินยัญญติพุกะละญญักะนะัญติบตาุลเห็นไหม ปุขาัรรยติมันมีแต่สมมุติขึ้นมาสมมุติบัญญัติบัญญัติตามสมมุติอริยบัญญัติอัฏฐบัญญัติบัญญัติที่ลึกๆอย่างพวกสติปัญญานิพานพวกเนี้ยเขาไม่ได้อาการนี้เรียวนิพานนะน้วสตินะนนี้เรียวญาณทัศนะนะนนี้การรู้แจ้งนะนี่การฟุ้งซ่านนะนี่าสังขารนี่นอวิชานะนี่อัฏฐบัญญัตินะสมมติบัญญัติกับพ่อแม่พี่น้อง กูกูมึงมึ ง, มงนี่แหละถูกผิดพวกนี้แหละกฎห ม, มายมาดตานั้นมาดตานี้พวกนี้แหละไอ้ น, นี่เรามายึดสมมุติตื้นตื้นอ่านี้ที่เราทุกข์กันเนะี่ยเราไม่ถือธรรมะที่ลึกๆที่เป็นอริธรรมเราไม่ถือธรรมะที่เป็นสัจจะเราก็เลยเข้าไปในความทุกข์อันนี้พอสมมุติที่มันสลายเนี่ยใครครับว่าเมื่อวันหนึ่งสมมุติอันนี้ต่างคนต่างนับถือสมมุติที่จะศักดิ์สิทธ แตเมื่อไหร่ที่คนไม่นับถือสมมติอันนี้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์เราก็นับถืออยู่คนเดียวแต่คนอื่นเขาไม่นับถือด้วยมันขาดความศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วแต่ถ้าสัตจ่านะกุญชิ น, นับถือฝ่ายไหนนับถือไม่นับถือมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นแบบนั้นของมันนะ่ะอันนี้จังก็คืออันนี้จังทุกขังก็คือทุกขงังนะไม่มีตัวตนก็ไม่มีตัวตนชีวิตเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองนะนะร่างกายนี่ก็เป็นไตลักษณ์จิตใจความคิดอารมณ์ขันห้าเป็นไตลักษณ์หมดเลย เพเวทนาสัญญาสังขารเกิดดับถ้าเรามองแบบนี้นี่เราจะดับทุกได้เพราะอันนี้มันเป็นปัจจตังเป็นปัจเจกภาวะเป็นของที่ดูได้เฉพาะตัวเองคนนั้นถ้าอยากรู้ก็ดูของตัวเองคนนั้นอยากรู้ก็ดูของตัวเองเราอยากรู้ก็ดูของตัวเองใครดูคนนั้นดับได้สันทิติโกจะพึงเห็นเองเห็นเองแล้วก็ดับได้เองเป็นปัจจตังนะฮะแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บแล้วเราจะให้คนอื่นเห็นด้วยดูมันดูนีนี่ฉันเห็นแล้วนี่แจ้งมันฉันมันไม่เป็นคนนั้นก็ต้องไปเดินจูงคมเหมือนกัน ต้องระลึกรู้ต้องเฝ้าดูภายในจอทั้งเห็นแจ้งเห็นแจ้งด้วยเองกระดับทุกข์ไดตนเองนะมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับว่าเอาทฤษฎีนี้ไปให้คนนี้ฟังแล้วก็จะเกิดขึ้นมาไม่ใช่นะต้องมันมีความแยบคลายต้องมีการสังเกตพิสูจน์ตรวจสอบมองภายในให้ลึกๆด้วยความแยบคายจนแจ่มแจ้งเกิดญาณทัศนะขึ้นมาจริงๆจึ ง, จ, ง, จ, ง, จ, งจะรู้จะเห็นตามนั้น ถ้าสติเรามั่นคงนะเรารู้ลูบรู้น้ำสติโยกกายเห็นกายเป็นกายเห็นจิตเป็นจิตนะเวทนาเกิดขึ้น<ส>ก็เห็นเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับโดยธรรมชาติสัญญาเ อ, อื่อจำแต่ไม่ปรุงแต่งสังขารเกิดขึ้นรู้คิดได้แต่ไม่ปรุงแต่งด้วยโลภะโทสะโมห์วิญญาณก็เหมือนกันรับรู้กับรู้แล้วกัว่างเนี<ส>่ยมันก็จะเห็นเป็นเพียงธาตุนะธาตุธาตุธาตุธาตุธาตุธาตุ เรียกว่าธาตุบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์คือเราไม่ปรุงแต่งนะธาตุดินอะนี้ก็เห็นไปธาตุดินโอ้รูปก็คือรูปกระดูกก็คือกระดูกเห็นเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมมันไม่โอ้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นเป็นสวยเป็นงามเป็นดีเป็นเด่นนะฮะเป็นโน้นเป็นนี่ขึ้นมามันไม่ได้เห็นแบบนั้นแต่มันเห็นเป็นเพียงธาตุหลักๆเห็นเป็นเพียงธาตุธาตุหลักธาตุดินดินธาธาตุดน้าตุาตุดนธาตุดินธานเขตาตธาตุด เขาเรียกว่ารัตนะนะรัตนะธาตุธาตุที่มันเป็นรัตนะแก้วเป็นแก้วไงเป็นธาตุบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์คือธาตุที่ไม่ปรุงแต่งแต่เราต้อว่าธาตุบริสุทธิ์ก็คืออะไรธาตุบริสุทธิ์ก็คือกระดูกที่มันเป็นแก้วแต่นี่กระดูกที่มันเป็นแก้วแต่จะไปหาพาระละหันนี่หาตอนที่ท่านตายไปดูกระดูกท่านเป็นแก้วไหม แต่ดูก็จะเห็นแล้วกระดูกท่านเป็นแก้วแล้วช่วยอะไรได้บ้างกระดูกเป็นแก้วนะ่ะจะไปฟังกระดูกท่านเทศเหรือนะเทศไม่ได้เราตายไปแล้วคุณจะไปรอทําไมเนี่ยนะถ้ามาหมาเห่ามาเป็นนะโมตัสสะปะเกล็ดคุณก็ฟังไปเถอะมันบอกว่าสร้างจังหวะเดินจู่ก็ฟังมันเถอะนะฮะดีกว่าคุณจะไปรอให้กระดูกมันเป็นแก้วแล้วมาสอนคุณนะไม่ได้ไประโยชน์อะไรหรอกนะฟังไปเถอะเดี๋ยนี้คนอยากดูอยากดูพระหรันด้วยกระดูกดเดี๋ยนี่ไม่กระดูก กระดูกไก่กระดูกอะไรก็ไม่รู้แหละนั้นจึงมีลัทธิกระดูกพระละหันทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นนะกระดูกพระละหันทั่วบ้านทั่วเมืองที่นั่นก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่นี่ก็พามีมีพระบรมสารีริกธาตุนะวัดไหนวัดไหนก็มีพระบรมสารีริกธาตุ ในบ้านคนก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุเอามารวมกันแล้วได้หกรถสิบล้อประเทศใดเนี่ยพระพุทธเจ้าทำไมกระดูกใหญ่จังตอนตายอยู่ประเทศอินเดียก็ในน้อยห่ อ, อ, อกระดูกตั้งห้าร้อยชั้นผ้าพันชุบน้ำผ้าพันชุบน้ำมันผ้าพันชุบน้มั 1, น, 1, น, 1, นเอาลงไปในรางเหล็กชบเผาไม่แล้วไม่อีกด้วยไฟทิพย์อีกต่างหากไม่ปรากฏว่า มาแบ่งกันเหลือจอกน้อยเก้าจอกเก้าเมืองยกทัพมาแบ่งเมืองหนึ่งมลละกษัตริย์ยกมาไม่ทันเขาก็เลยให้ขี้เท่าไปจอกนึงปัจจุบันนี้หกรถ1ิบล้อในประเทศไทยะดูกเพราะว่อันนี้ก็พูดเล่นนะมันจะไปฟ้องในเน็ตนะ้ําสู้ไม่ได้นะ่ไหรนงตาไม่มีบาลมีต่อแยงป่นั้นเลย อันนี่พูดให้นักปฏิบัติทำเราเนี่ยพิจารณาหน่อยใช้ปัญญาหน่อยอย่าเป็นคนศรัทธาจะดิบหลายนะเดี๋ยวนี้มีว่างอกเองเข้ามาอีกแนละ้วใครมีบุญมนจะงอกเองเอา้าเหตุปัจจัยอยู่นะเหตุปัจจัยอยู่นะทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยนะอันนั้นตายแล้วนะกระดูกนั่นนะเผาไม่กี่ลูกกี่รอบแล้วนะนะกดไดมีโนมันตายไม่รู้ไฟไม่รู้กี่โวล์กี่วัตตนะ์นั่ะเผานี่จะมางอกมาอะไรอีก พราะมาต่างหากตกป๊อกเข้ไปในแก้วนั่นเองเพิ่มขึ้นมากมายเอามาให้หลงตาเก็บไว้ในวัดไม่มาเขาสงสัยไม่มีบุญอ่ามันไม่มีแล้วไม่มีอะไรเนาะเขาก็ขอขอขอคิดแต่นนี้แต่นี่นะประเทศไทยมีหกล้อสิบล้อนะถ้าประเทศอื่นอีกล่ะพม่าอีกล่ะแปดสิบล้อสิบล้อนั่นแหละพมา่าเจดีมันเยอะประเทศพมา่มาเจดีมากมากมายหลากหลายประเทศพม่าเป็นเมืองทะเลแห่งเจดี ที่ไหนก็มีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะศรีรังกายอีกล่ะออินเดียอีกล่ะโอ้ยเยอะแยะนะพม่าเนี่เยอะมากเยอะมากเยอะมากลงตาไปเมื่อกี้นี้ก็ไปที่แม่ขจานว่าจะไปประมูลพระบรมสารีริกธาตาุเขาขายริมทางเยอะมากสรุปนีน้กระดานเอามาให้ดูก็จะมีทุกแบบเลยเนี่ย ตามหนังสือเปี้ยะนะเขาขายแต่เขาก็อันนี้พระศิวลี น, นี่พระหมกคลานะัตัวนี้พระอะไรพระสารีบุตรนะตัวนี้นอันนี้พระ อ, อนุน น, นั่นนี่ยกระดูกส้อนน้องรู้ด้วยซ้ําไปนะเนี่ยแล้วไปเห็นพระบรมสารีเคราะหกระดูกก้นกบพระพุทธเจ้าโอ้มันน่า จ, จะใช่เพราะกระดูกอื่นเข้าไปหมดแล้วเหลือแต่ก้นกบไปคาราวะกระดูกก้นกบพระพุทธเจ้ามาแล้วลงตานะ เขาอุตส่าห์ตั้งใจถูกต้องเพราะคนอื่นเขาตั้งชื่อของกระดูก อ, อกก็มีแล้วพระธาตุปนมกระดูมบกเรียา ก, ก็มีแล้วพระธาตุดมนะอ่าอะไรนะ่ะพระบาทตากผ้ารอยผ้าสะบงพรจ้า ก, ก็มีแล้วที่นู่นที่ น, น, นี่กระดูกก้นกบนยังไม่มีก็ไปเห็นอยู่น่นแลหนะะะและมีหมดนะกระดูกข้างกระโหลกเก็จะมีหมดเขามีหมดเราก็ไปหาดูเขารู้หมดเลยว่ากระดูกใครเป็นกระดูกใครที่ขายเนะี่ย เพราะว่าเขาก็ตั้งชื่อเอาเองตั้งชื่อเอาวันนั้นแหละวันที่เราไปนั่นแหละมันชี้นี้ก็ดูนะนนโอ้ใช่ๆๆๆใช่ใช่่ช่ของเขาจะไม่ใช่ของเราเนาะนั้นแค่ธาตุขันพวก น, นี้ ย, ยังไม่ควรยึดมั่นหรือมันะจะให้เขาหลอกเราไปที่ไหนปฏิบัติทําแล้วนี่เราเราไม่ห่วงนะไม่ห่วงว่าใครจะมาพูดว่าพระบรมสารีริกธาตุลอยพระพุทธบาทโยนนี่เราไม่อัดสัจจันแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ย แม่อัสสัญหมายเขาว่าเอาท่านมาหลอกไม่ได้แล้วเราเคารพท่านมากพวกเราทั้งหลายนี่เคารพพระพุทธเจ้ามากแต่ไม่ได้เคารพในฐานะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่เคารพใน่นี่ยอดจริงๆเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนให้พ้นทุกไปได้พ้นจากความคิดพ้นอางสิ้นอาสวะเลยไม่ธรรมดาเคารพน้นเคารพพระธรรมคําคสอนนั้นแต่พวกนี้เอามาหลอกไม่ได้แลจะพูดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยไม่มีในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ลู ก, ล ก, ลกนามแล้วเข้าใจไหมมันไม่มี มันจะมีกับพวกที่ปฏิบัติทำบรรลุอาหันแบบโง่โง่โน้นนะที่เขารบเนี่ยแต่เรานี่ไม่แล้วไม่มีหลวงพ่อเทียนตายนะไม่ได้เก็บกระดูกไว้เขาเขเเี่ยลงน้ําหมดเลยเขี่ยลงน้ําเขี่ยไม่ได้เอาหลวงพ่อเทียนหมวกท่านสอนให้รู้ธรรมะแต่ไม่ได้เอากระดูกนเนี่ยเทลงไปกระดูกได้มาแล้วเป็นยังไงจง ได้กูได้กูมีกูเป็นอย่างเงี้ยเอาบูชาเคารพ บ, บูชาคนมันก็หาจากสัจธรรมไปทางจากจสัจธรรมมันก็หลงไหลติดอยู่กับเรื่องพวกนีนะ้นั่นเพราะว่าท่านบอกว่าธ า, าตุอย่าให้เห็นธาตุของเรานะั้นเป็นพระธาตุพระธาตุคือมันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ปราศจากไม่ได้หมายความว่าไปฟอกขาวนะนะไม่ได้เอากระดูกไปฟอกขาวแต่ที่ว่าสะอาดบริสุทธิ์ก็หมายความว่า มันปราดจากโลภโทสะโมหะราคะเนี่ยมันไม่มีเนี่ยธาตุดินน้ำไฟลมของเราเองมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบโอ้มันเป็นธาตุบริสุทธิ์นานอนอยู่แต่ละวันแต่ละวันนี่เหมือนพระมหากับปีนะสุกหนอสุขหนอน อ, นอนแต่ละครัง้งแต่ละทีสุกหนอสุกหนอมีสุขจังเลยนามาเดินจุ ก, กรมมาสร้างจังหวะเนี่ย มีความสุขทําความเพียรมีความสุขจริงนานอนก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขมันไม่ทุกข์เนาะเรียกว่าธาตุป็นบริสุทธิ์แหละธาตุบริสุทธิ์คือมันบริสุทธิ์คือมันไม่มีทุกข์มันสะอาดมันสดใสมันประพัดสอนแต่ไม่ได้มาหายไปไหนเว่าให้ไปดูกระดูนะไม่ดูให้ไปดูกระดูจะไปเฮอดูกระดูกเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะเอาอ่านไปแล้วเอากระดูกพระอรหันต์มาตั้งที่สนามหลวงที่พุทธมณฑล ใช่ไหมท่านทั้งหลายจะไปดูพระกระดูกนะเนี่ยมีพระกระดูกมาตั้งไว้ไปไว่ายแย่งกันเข้าดูไปแย้งไปทําไมเดินจะกรมสร้างจังหวัดอยู่ข้างนอกเป็นอะไระรู้สึกตัวเนี่ยให้จิตมันแจ่มใส่ไม่ต้องไปแย่งเขาไปดูภูเขาทองภูเขาไฟไม่ต้องไปดูดูตัวเองเนี่ยตัวเองเนีงน่คือธาตุอันนึงแหละแต่มันยังไม่เป็นพระธาตุเลยเนี่ย ทำให้มันเป็นพระธาตุในีมันสดใสเมื่อไหที่ใจมันเบิกบานสบายแหน่เป็นพระธาตุแล้วอันนี้เป็นธาตุเนี่ยดีที่สุดอีสูตรทั้งหลายเธอมุ่งหวังจะเห็นตถาคตในอนาคตนะใครจะเห็นพระพุทธียวาบุกใดคนใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตบุไดคนใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมแม้จะจับชายจีวรนจับชายจีวรดึงจองอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นธรรมเนี่ยไม่เห็นธรรม ไม่เห็นเราเพราะไม่ใช่อว่าเห็นธรรมดึงขนาดนี้ยังไม่เห็นเรานะเนี่ยพระพุทธเจ้าว่านั้นเราก็ขึ้นไปเห็นกระดูกท่านเลยเห็นได้อะไรนะไม่เห็นอะไรนะท่านว่ายังไม่เห็นนั่นเงมีเห็นกูนะมึงยัไม่เห็นกูนะมึงไม่เห็นอยู่เห็นกระดูกนี่ก็ยังไม่เห็นกูนะยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าไยเห็นพุทธสภาวะภาวะรู้ตื่นเบิกบานให้หลายๆคนนะเริ่มตื่นจิตมันตื่นน่ะโอเริ่มตื่นแล้วเนี่ยเริ่มเบิกบาน เบิกบาน น, น้อยแล้วเริ่มไม่มีทุกแล้วอันนี้แหละาศาสนาพุทธมันต่างจากาศาสนาอื่นตรงที่มันไม่มีก๊อสมีเกิดมีนนท์มี น, น, มนี่แต่ว่ามันมีเทคนิคมันเป็นวิชาเป็นวิทยาศาสตร์ที่คนทั้งหลายทําอย่างนี้แล้วมันไปถูกอันนั้นแล้วมันเกิดการแจ้งขึ้นมาแล้วทุกมันหายเนะี่ยพุทธเจ้าเป็นคนพบอันนี้นะแล้วท่านมาบอกเรานะพุทธนี่ยมันเหมือนเหมือนจะเหนือวิทยาศาสตร์คือมันเป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่วิทยาศาสตร์ทางจิตที่คนพบว่า ความโกรธโกลงที่อยู่ในใจเนี่ยถ้าทํานี้แหละอันนี้หายนั่นเองความโกรธโล่งที่ฝังอยู่ในใจความโกรธความเกลียดความงงความเหงาเนี่ยอย่างน้อยหลายคนนะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้หลับไม่นอนตื่นตั้เช้าค่ะด้วยซ้ำไปอะ่ะแต่อยู่ๆก็วันนี้หลายๆคนโอ้เริ่มดีขึ้นไม่งวงไม่เหงาที่จริงมาวันแรกหัวจะฟาดดินน่ะหัวอาเป็นเอาตายล้างหน้าบางคนมาถามว่าทำไมหนูต้องไลน์ล้างหน้าประจำ ชาติก่อนเอาไก่ชนกันไปจําเกิดมานี่ล้างหน้าแล้วชนกับงวงนะล้างหน้าตีแต่ความเปจริงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเทคนิคแบบหนึง่งเพื่อจะให้รู้สึกตัวทุ่มพร้อมเพื่อจะสู้กับมันนี้ให้ได้แต่นั้นเองอันแต่ถ้าเราเข้าใจเกิดปัญญาจำแจ้งขึ้นมาก็เห็นว่าอ้มันไม่มีตัวตนจริงๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีในใจอ่ะใจที่มันจะสร้างความเป็นตัวตนมั น, ม, นมันดูตรงนี้นะไม่ใช่ดูข้างนอกนี่นะ มันจะไปนั่งดูร่างกายจนเห็นมันเปื่อยมันเน่าแล้วมันสลายไปต่อหน้าเหมือนไปดูอสุภาษณ์นะนาะสีติกาปภะนาวเปรวะเก้าศีติกาปภะหมายว่าซากศพมันในป่าช้าเก้าลักษณะตายแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสาวันบ้างสวันบ้างหวันบ้างหกวันบ้างอันหมาเกาะแกะกินอันฝูงกาฝูงนกตระกลุ่มอีแห้งบ้างเจาะกินมีเนื้อเลือด มีหนังรึงรัดอยู่ฉั้นใดโจทั้งว่าเป็นผุยกระจุยกระจายไปกับดินขาวปนเหลือแต่ชิ้นกระดูกเล็กๆน้อยๆชันใดอยัมปิโคกกโยเธอพึงนํามาเปรียบกับกายนี้ว่าเม้่ร่างกายนี้ก็เป็นแบบนี้ไม่ให้ดูปานนั้นดูตรงนี้นี่ดูตรงความคิดเนี่ยที่มันมายึดเนี่ยนะความคิดที่มันมายึดเรามันยึดความปรุงแต่งยึดรักยึดชังยึดโกรธยึดเกลียดแหมมันยึดเลย มันทําอย่างไงมันยึดเนี่ยถ้ามันเฉยเฉยมันเป็นมันเฉยเยมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันยึดแล้วมันมีความทุกข์มันเกิดเพราะมันยึดยึดว่ามีเรายึดรูปยึดเวทนายึดตัวพอใจไม่พอใจถ้าเฉยเฉยล่ะตัวพอใจก็ดับไปอย่างเราโกรธใครสักคนถ้าเราเฉยเฉยกับมันความกดมันก็ดับเหมือนไฟเนี่ยมันวาบถ้าหยุดท่งกระแสเนี่ยมันก็หมด ไม่ชาร์จแบตเข้าไปเนี่ยส่วนว่าเราเติมความอยากเข้าไปเติมความอยากเข้าไปมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีนี้เราก็ไม่หยุดอยากหยุดอยากไม่คิดไม่คิดไม่คิดรู้สึกตัวรู้สึกตัวดูมันเฉยเฉยมันก็ดับไปดับไปดับไปอะใจมันก็ตื่นมันก็เบิกบานอะไรเนี้ยนเพราะเราไม่เสริมพลังมันเข้าไปคําว่าตัวตนบุคคลเนี่ยการที่จะมองเห็นตัวสักายยทิจิคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่เป็นละนะฮะพอเห็นแล้วมันก็ดับ เห็นแล้วก็ดับเนี่ยมันก็เริ่มดับความคิดมันก็สั้นเข้าตัวตนก็นน้อยเกิดน้อยๆเล้วก็ตายเกิดน้อยๆเหลือก็ตายเกิดน้อยๆเล้วก็ตายความคิดน่ะแต่ที่จะเกิดยาวเป็นพบเป็นชาติที่ยืนยาวนานมันไม่ยืนยาวนานแล้วมันเกิดพบชาติสั้นๆนะตกนรกในน้อยแล้วได้เกิดทันทีเลยเกิดในเกิดได้อารมณ์สบายกว่เปเทวดาเปิดเป็นอริยะทันที เกิดผุดขึ้นเป็นโอปปาติกะจิตตนีเลยอย่างงี้ได้นั้นเขาสอนในพิธามเพือเขาให้เรารู้แบบนี้รู้แบบนี้มาเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆะเอามันเป็นขันเป็นอายตนะที่แรกเป็นธาตุธาตุดินน้ําไฟลมเห็นไหมดูดีๆที่เป็นธาตุไหมโอ้จริงนะเป็นธาตุนะเปรยเน่าอยู่ตลอดเวลาโอ้ถ้าจิตมันตั้งมั่นปเดี๋มันเมื่อรู้รูปรู้นาจะเห็นธาตุสี่เห็นขันธาตตามความเป็นจริง เรามาเป็นอย่างนั้นที่เราดูนา น, เ ข, า น, านเข้านานเข้านานเข้าเป็นธาตุเป็นแขนเป็นอายะตนะโอ้จริงๆมันมีแค่ตานะตานี่ก็รักใครไม่เป็นชังใครไม่เป็นนะะหูก็เหมือนกันจมูกริมกายกระทบผัสสะแล้วเราปรุงนะเราปรุงเราแต่งเราเพิ่มนะแต่เราเป็นรักตามันนะรักตามีแม่ชีคนหนึ่งนะสมัยพุทธกาลชื่อแม่ชีอะไรท่านมาตาสวยนะี่ย อันนี้ก็ความจำไม่เที่ยงตาสวยเนะี่ยมีพระอูหนึ่งไปรักเขาเขาเป็นภิกษุณีวันมาหนึ่งกันดูเหมือนโกกีฬานี่แหละสวยดูทุกวันทุกวันก็เลยเขียนจดหมายไปหาดูก่อนน้องหญิงทำไมาลุงพี่รักตาน้องมากนะตา เวลาฉันเข้าเธอชายตาก็มามองพี่หลวงพี่ที่ไรพี่แทบจะกินข้าวไม่ลงชอบตาน้องมาก เ, ออเวลาประชุมอุโบสถที่นี่อุโบสถมีพระมารวมกันเยอะนี่พิกษุนีองนี่มันใจเด็ดน่ะพอมานี่เปิดจดหมายนี่อ่านในคนฝังทางวัดน่ะมันไม่เห็นแก็บความรักของเราเลยเปิดจดหมายอ่านปุ๊บแล้วก็ได้ยินว่าท่านรักตาหนูใช่ไหมคะนะ แล้วเขามีดสอด่างัดลูกกระตาให้เลยลูกหนึ่งทั้งวัดน้าตาค้างหมดเลยแต่ลูกตาลูกนี้หนูเอาขอไว้ดูนะเอาไว้ดูแต่ลูกนี้ให้งัดให้ดูเลยพระโอ้นั้นก็ทําอะไรไม่เป็นเลยอ้าปากค้างไม่นึกว่าเขาจะใจเด็ดป้านนั้นน่ะเธอก็ลองงัดมาสักลูกสิมาฝากพระจะกลับบ้านแล้วพรุ่งเนี่ยมันไม่กล้าล็อกนี่ ตากูนะตากูของกูอะไม่ยอมให้เอาให้เลยและะ้วพระองนั้นก็สัน่นแล้วไม่คิดอะไรเลยหลังจากนั้นก็ใจเป็นสมาธิคนมองทั้งวัดไปทางไหนก็แทบจะมุดดินหนีเนะี่ยอายคนแล้วในสุดก็ตั้งใจปฏิบัติทำความเปี่ยนก็เลยบรรลุโสดาบันรู้โสดาบันพ่อจ้างตาทั้งลูกหนึ่งนั้นนะพ่อชอบตาเขาไ้เขาก็เลยเอาตาให้เลย ถ้าชอบหูมันเคยจะตัดหูให้อีนางน่าก็โอ้ยิกษุนีรูปน่าก็เกินไปใจเด็กจริงๆใจเด็ดจริงๆแต่ปัจจุบันนี้คงหาให้ไม่ได้แล้วล่ะขออะไรคงไม่ได้แค่ขอแหวนขออะไราขอไม่ต้องขอแหวนน่นะขอเวลาสักเจ็ดวันได้ไหมไมาอยู่กับหลวงพี่บ้างดิไม่ไ ม, มีทางหไม่ว่างธุรกิจเยอะ มันไม่มาให้หลอกนะมันได้มาจะไปขออะไรมันขอว่าเป็นเพียงาธาตุเพียงขันเปนไม่ได้เดี๋ยวนี้มันจึงลําบากมากในการที่จะสอนคนให้ออกจากทุกเนี่ยเพราะมันไม่อยากออกเพราะมันเห็นว่าไอ้ทุกนี่มันไม่ใช่ทุกทุกนี่คือสุขทุกคือสุขอนาตตาคืออัตตาอนิตจังคือนิตจังคือเที่ยงไม่เที่ยงได้ยังไงอ่ะ เนี่ยคือมันมองจูจากภายนอกอย่างเราบอกว่ากายนี้ไม่มีตัวตนเคาว่ามีตัวเขามองจากข้างในมันบอกเออยีกลองดูดิไม่ใช่ตัวตนลองยิกดูดิเจ็บไหมเนี่ยมันคนละเรื่องคนละความหมายเขาไม่ได้มองจากตานอกมองจากตาในมองด้วยปัญญาดิมองด้วยมองเห็นที่จิตที่มันยึดมั่นความเป็นตัวตนถ่ายถอนอุปทานโน่นอันนี้มันเป็นธรรมชาติยิกมันก็เจ็บแล้วก็เป็นธรรมชาติพระก็เจ็บ พระพุทธเจ้าพระเทวทัตทีก้อนหินลงมาท่านก็อุ้ยเหมือนกันแหละเจ็บเหมือนกันเจ็บหมอชีวกก็ไปใส่ยาเหมือนกันเนี่พุทธเจ้าสยาก็เจ็บเหมือนกันแต่พุทธเจ้าไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นโอ้เราก็ยังปฏิบัติต่อเทวทัตเหมือนกับเราปฏิบัติต่อลาหุนเรารักลาหุนฉันได้เราก็รักเทวทัตฉันนั่นจิตของตถาคตเสมอกันหมดเหมือนน้ําทะเล ลาบเรียบเหมือนกัน่ะใครจะทําอะไรก็เหมือนกันแบบนั้นถ้าบุคคลใดโกรธเครืองบุคคลที่ทําร้ายตัวเองคนนั้ไม่ใช่ลูกสถาคตไม่ใช่จะต้องไม่โกรธไม่เครียดไม่แค้นไม่จริงไม่ใช่ไม่โยงคนหนึ่งนะมาถามหลวงตาหลงตหนูโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ฟังใจแต่เขามันก็ดีขึ้นเลยแหละแต่กลับไปนี่ไม่น่าไว้ใจกลับไปก็ยังไม่น่าไว้ใจไม่น่าไว้ใจก็เก็บใจเอาไว้ อย่าไปมันออกไปมันคงดีขึ้นแหละถ้าทําอยู่เรื่อยๆให้มันเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดการโลกแจ้งขึ้นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีของมันเองแหละจิตเนี่ยดันั้นมองมองมองมองมองเป็นแบบรู้สึกตัวเฉยๆไว้เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างที่เขาว่าจึงเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะอายตนะมันเชื่อมต่อทีนี้พอปฏิบัติรมพอมันไม่เป็นธาตุเป็นขันนี่มันจะเชื่อมต่อทีแล้วก็ตัดตรงที่เชื่อมต่อดึงมันออกจากกันดึงออกจากกันตาเชื่อมกับหูจมูกเชื่อมกับ กลิ้นเชื่อมกับรถเนี่ยเห็นไหมพวกเธอได้ยินนางได้ยินนิทานเรื่องนะสังทองเนะ่ยเทายศสวิมลเนนะ่มีลูกสาวกี่คนเจ็ดคนคือหรือหกคนเคยทั้งหกเลเนะเห็นไหมเท้าอะไรเท้าเท้าสามนคนสุดท้องพาามองมวนะัว เอาสามมนเขาสามมนเหรอเดยโกหกนะจันหมอมผิดนะพ่อป ร, ระสังนะพ่อประสังแม่มันชื่ออะไรนะจันดาทีวีนะนะจันดาทวีนะนะนววนะลูกเขาก็สินสมุดสุดสาคอนะเดยกันือคนลยเรื่องพระพัาายมณีนะตัวนั้นพระภาัยมณีโอยอยากช่างเถอะสมมุติ สมมุติพูดมาเนี่ยมีลูกสาวหกคนแล้วลูกก็ไปหาลูกเขย อ, อีกกี่คนเออลูกสาวหกจะเอาเจ็ดหรือเอ6หกคนคนั่นแหละหกคนเน่ะลูกสาวหกจริงๆนี่เขาพูดถึงเรื่องอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ น, น, น, น, น, นี่เอาไปแลก แค่ันพอไปอยู่ต้นโพพระสังถอดอันนี้ปุ๊บมาเหลือแต่เป็นเจ้าพวกปุ๊บมันมามาใช่มนเรศคาถามามาอยู่ร่วมกันสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มาอยู่ตัวนี้เอาเคยโทรหาปูหาปลาหาไม่ได้แต่พอมานี้มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอยากได้ใช่ไหมก็คือหมายว่าได้อยากได้รูปอยากได้รถอยากได้กินอยากได้เสียงอะคนเราเนี่ยมันอยากได้เพามันต้องแลกด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกเขาเฉือนเอาอะไรไปเอาใบหูไปมีไหมมีไหมในนิทานมีไหมเฉือนไปไหมเฉือเอาอะไรอีก จะโม้เนี่ยเฉือนเอาตาบ้างเอาหูบ้างเอาจมูกบ้างเอาลิ้นเอาทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยคือคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้อยากได้พวกนี้ก็เลยได้ต้องไปแลกเอาแล้ติดอายตนะไงพระสังก็คือใจดีอ่ะแต่พอมันใจไม่ดีไม่ดีมันก็สวมเงาะเข้าไปนี่ถ้ามาถอดเงาะออกก็คือถอดสมมุติออกถอดสมมุติออกตัวข้างในมันก็เป่งปลั่งคือจิตที่มันดีมันอยู่ข้างในไงนะ มันได้แต่งงานกับใครกับนางรสจนารสจนารจนาก็คือเขียนเป็นผู้เขียนเนผู้เขียนบทให้เป็นผู้กอบกับคือตัวสัมปชัญญะคือมันจะควบคุมตัวสติในตัวสัมปชัญญะเนี่ยดางรสจนาเนี่ยนะฮะแต่พวกนี้เป็นธาตุมันพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้มันเป็นเป็นธาตุมันนะกับรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยนั้นจึงปรากฏว่าเคยทั้งหกลูกสาวทั้งหกแพ้ตลอดแพ้และไแพ้อันนี้ เขาก็เล่าเรื่องอันนี้แหละฉะนั้นเวลาเราฝึกสติโอ๋ออยู่ที่นี่เองนะตาหูจมูกลิ้นก่เอาสติมาปิดน่ะปิดตาสองลูกปิดจมูกสองรูปิดหูสองข้างปิดปากเสียบางแล้วนั่งจุกกรูอยู่นี่พวกเธอไม่เห็นแล้วพระปิตวาลเคยเห็นไหมญาตราพระปิตวาลเคยเห็นไหมอาจารยหมอเคยเห็นไหมพระปิตวานก็นั่งเห็นไหมเห็นไหม พระปิตพันล์เคยเห็นไหมพระปิดตาปิดหูปิดจมูกน่ะยานั้นน่ะดีมากเธอกลับไปหาซื้อกินได้เขาฝากโฆษณายาตราพระปิตพวาธปิดตาปิดหูปิดจมูกนี่แหละเป็นพระพระปิตพันธมันรูปแล้วก็เป็นยาตราช้างในผานทองตราพระปิตพวาธ์ นี่เราเปิดปิดตาปิดอายตนะเนี่ยมองเห็นว่าเออมันเป็นเพียงอายตนะเพียงปัสสะเฉยๆนะปัสสะถ้าไม่เกิดเวทนาเวทนาก็จะเกิดตัณหาทีนี้เราก็รู้มันเป็นเวทนาพอจไม่พอจะกตัดปุ๊บรู้สึกตัวก็หายไปเนี่ยมันก็ดับไปใกล้ๆนะฮะอายตนะปัญติธาตุปัญญติสัจปัญญติอินสีปัญญติธาตุสั จ, จ กิตาวตาปุกลาน낭ปุกลาปัญญาิสามัมมยวิโมตโตสมัมมยวิโมตโตถ้าตั้งใจถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยมันสามารถหลุดพ้นออกไปได้จิตเนี่ยสมัมมยวิโมตโตหลุดพ้นในบางคราวบางสมัยสมัมมยวิโมตโตคือได้อารมณ์เป๊งแต่มัก็หลุดพ้นได้แต่มันหลุดพ้นได้ระยะหนึ่งทีแรกเนี่ยแต่มันก็ติดอารมณ์อีกหน่อยสมัมมยะวมตโตอสัมมยวิโมตโต อ่ะสมัยวิมุตโตไม่เกี่ยวกับสมัยไม่เกี่ยวกับเวลาดเด็ดขาดเลยบางทีนี่มันปิ้งนะมันรุดไปเลยเนี่ยแต่บางคนเนี่ยมันได้น้อยหนึ่งสมัยวิมุตโตอัศมัยวิมุตโตกุปปธรรมโออกุปปธรรมโอผู้มีธรรมที่กำเริบได้ผู้มีธรรมที่กำเริบไม่ได้บางคนบรรลุทำรู้แจ้งแล้วมันกำเริบยังได้อีกอยู่ เฮ้ย hey, ครั้งก่อนกูก็แจ้งเลยนะเรื่องความห่วงเมื่อวานในวันนี้ทําไมกู ง, ง่วงอีกวะเพราะมันยังกําเริบได้ไงเพราะถ้าเหมือนตอกตะปูนี่คุณตอกน้อยไปเนะี่ยปิกเข้าไปน้อยไปคุณต้องหัวดัหลายครั้งแล้วหัวดังไงจนมันมิดเลยเนียนะ่ยมันถึงจะไม่ถอนบ้านหลังนี้เนี่ยมันเขย่าไปเขย่ามามันแตกมันร้าได้นะเนี่ยโครงสร้างมันต้องแน่นหนาะงนั้นคนรู้รูปน้ําแบบเข้มแข็งจริ ง, รงๆเนี่ยมันจะไม่สะเทือนเลยแต่ถ้ารู้รูปน้ํำน้อยๆแผ่วๆเบาเนี่ยเป็นอีก มันสั่นมันไหวอีกนั้นเราต้องรู้มันชัดชัดมันไม่ชัดเราก็ทําอยู่นั่นแหละปั้นอยู่นั่นแหละปั้นอยู่นั่นแต่งมันอยู่นั่นแต่ละวันแต่ะวันลเลึกรู้อยู่ตลอดเวลากุปปธรมโมอกุปธรรมโมผู้มีธรรมที่กําเริบได้ผู้มีธรรมที่กําเริบไม่ได้ปริหานธรมโมปริหานธร ร, รมโม ผู้มีธรรมที่ควรแก่กันบริหารบริหารต้องรักษาตลอดเวลาโอ้ยได้ตัวรู้มาแล้วก็ต้องเฝ้าและลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตต้องได้เห็นแล้วตัวโปร่งโปร่งตัวโล่งโลงตัวเบาตัวแต่ก็รักษาต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาแต่บางคนไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาแล้วสบายแล้วไม่ต้องมาบริหารไม่ต้องจัดการอะไรแล้วมันเป็นแล้วนะตีลังกากลับบ้านแล้วครูตอนนีนะ้กลับไปเห็นเมีย ม, มาลองดูดินะด่าฉันลองดูทีลองดูดีทดสอบท้ออารมณ์ดูดี ก็กลับไปลงทดสอบได้เลยเจ้านายมาอะไรประมาณนั้นดาฉันดูดิไปละทดสอบได้เลยแต่ถ้ายังไม่ปลอดภัยก็ต้องเงียบๆไปก่อนนะวิ่งเบาๆเหมือนรถนี่แหละยางมันไม่ดีเท่าไหร่ไปปฏิบัติธรรมหนูก็ง่วงทั้งวันอยู่วัดหลวงตากระดามาที่นี่ยังจะว่าอีกเลยเจ้านายไม่ไหวละประมาณน้ปริหานธรรม เจตนาปะภูอนุลาค่ะปภูเจตนาป ร, บาปรบูบางคนก็ยังต้องเจตนาเจตนาทําไปไหนก็ต้องกําหนดรู้เนี่ยนะผู้ที่โคงยังกําหนดรู้อยู่ผู้ที่ไม่ต้องกําหนดรู้แล้วคือพอรู้สมมติรู้ปรรมมัดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องกําหนดรู้จิตมันจะเป็นเองไปไหนมาไหนสติมันจะเป็นเองขอเขแล้ีว่าจิตมันเข้าสู่ปรมรมมัดดำแล้วเราวัดตรงที่สติเราเนี่แหละปฏิบัติธรรมเนี่ยสติมันต่อนเนื่อง แต่เรายังกําหนดรู้อยู่พอออกแล้วลืมก็แสดงว่ายังไม่ดีมันยังไม่เป็นมรรคโดยสมบูรณ์มันเป็นมรรคโดยสมบูรณ์คือไม่ต้องกําหนดรู้นั่นแหละมันเป็นมรรคดีแล้วแต่มันยังยังไม่เป็นผลนะแต่มันเป็นผลของธรรมะชั้นต่ำอานุรักษนาภพอผู้ยิงตามต้องตามตามรักษาตามรักษาอยู่บางทีบางคนก็ได้เป็นเดือนนะบางเดือนแล้วก็เสือเส่อมเสื่อมเสื่อมลงบางีแต่บางบาคนทำครั้งเดียววันเดียว ถึงที่สุดทุกเลยไม่ต้องรักษาอุทุชโนโนบางคนก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่บางคนก็ทะลุไปเป็นอริยะบุคคลแล้วนะพายุประโถอ้าดับทุกแล้วบางคนก็ไม่กลัวทุกแล้วนะไม่กลัวทุกแล้วแต่บางคนก็ไม่ทำชั่วแต่เพราะกลัวบาปกลัวมันคิดมาก ไม่กลัวว่าไอ้คนนั้นไม่กลัวท se, darum, ํามานน่นไ yeah, ม่กลัวทํำมานี่ไม่กลัวทําผิดพลาดเพราะอะไรพวกกลัวมันคิดมากกลัวกรรมตอบสนองเน่ะแต่ถ้ามันดับทุกได้แล้วมันไม่กลัวมันไม่กลัวแต่มันไม่ทําไม่กลัวบาปแต่ไม่ทําบาปไม่กลัวบาปนะะพระอริยะเจ้าเนี่ท่านไม่กลัวบาปนะแต่ท่านไม่ทําบาปแต่ว่าคนทั้งหลายทั้งวงกลัวบาปเลยไม่ทําบาปปุถุชนนี่มันจะกลัวบาปกลัวกรรมกลัวบาปไม่อยากทำชั่วนะ กลัอะไรกลัวเขาล่างแคนเนี่ยไม่อยากด่าเขากลัวเขาด่าคือแล้วมันติดอารมณ์แต่พระอริยะเขาไม่กลัวนะคือด่าก็เหมือนมาเห่าเครื่องบินประมาณนั้นนะคือมันไม่เป็นอะไรแล้วเนะมันไม่ทุกแล้วมันปล่อยได้แล้วมันวางได้แล้วเียผู้เว้นชั่วเพราะกลัวผู้เว้นชั่วไม่ใช่เพราะกลัว พัพาพาคามนโนอพัพพาคามโนนิยโตนิยโตนิยะโตอนยิยะโตพูดเที่ยงผู้ไม่เที่ยงบางคนเทียเท่ยงล่ะอารมณ์ขาเที่ยงอย่างนั้นตลอดเวลานะนั่นเราจึงไปหาคบคนที่เที่ยงเที่ยคนที่ไม่เที่ยงก็ไม่อยากคบเพราะอะไรเพราะว่า ม, มันเปลี่ยนแปลงไงจิตมันเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งก็ดีวันหนึ่งก็ไม่ดีดเดี๋ยวไล่ดีๆถ้าคบเราเป็นยังไงแล้วก็หงุนหงิดอะแล้วก็เป็นทุกตาม มันก็ไปหาคบคนที่มันเที่ยงโอ้คนนี้อารมณ์เที่ยงเนาะอะไรเที่ยงล่ะอันนี้จังเขาเที่ยงทุกขังเขาเที่ยงอนัตตาเขาเที่ยงเขาไปจากแจ้งยานในการรู้แจ้งสัจธรรมเขาเขาเที่ยงแล้วมันเป็นมาตรฐานดีแล้วนะที่อยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์กับคนคนเนี้ยก็สบายชีวิตเราเนี่ยเราก็อยากเห็นอยากพบอยากเจอแบบนั้นแหละนะครับพระเหลตติโตอรหะ อ, อรหัตตาจปฏิปนโนที่เราสวดไปนะครับว่าผู้บางคนนี้กําลังอยู่ในผล กำลังเป็นอรหัตมักกาลังทำมักให้แจ้งอยู่เดี๋ยวนี่ยพี่งแต่มันขึ้นผลยังไม่ได้ก็รออีสหน่อยสิ้นอาสวะก็จะจบสิ้นนะ่ะภูมิธรรมเนี่ยนะเนี่ยเขาก็บอกไล่มาตามลำดับนะ่ยจิตของคนเวลาเราไปสวดศพเขาพูดอย่างนี้นะจริงจริเนี่ยอารมณ์กรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องศพนะนะไม่ใช่เรื่องศพแต่เรื่องจิตคนเนี่ยพอให้ได้ก่อนที่ตายไปกลับหลับตื่นฟื้นมีหนีพ้น อันเนี้ยไปกลับคือไม่ทุกข์เลยอ่ะพอมันทุกข์ก็กลับมาหลับตื่ น, นตื่นตื่นมาปฏิบัติฟื้ น, นอย่าไปจนอยู่กับมุมเลยอย่าไปจมอยู่กับทุกข์ทุกข์จะกระแทกกระทันแดกดันยังไงก็ต้องฟื้นขึ้นมาฟื้นมาเพื่อเลยเพื่อหนีจากทุกข์ให้ได้หนีหนี้มันพนน้พ น, พ น, พนหนีพ้นในพ้นวัฏสงสารนั่นแหละ ลอยคอข้ามฝั่งไปสู่แดนนิพพานน้วยนะี่ยเหลียวมาอยู่กับอันนี้อันนี้คำภี์พูดมาในพูดมาสองคำพีอัเ น, นี้ยคำภีสองมันมีเจ็ดนะจอทั้งขบวอนอานิจจาเป็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเรายึดเป็นทุกนะยึดแล้วเป็นทุกใจนะ่แต่ว่าพุทธศาสนา น, นี่เขาผูกคําสอนอันนี้ไว้กับประเพณีการชักผภาบางสกุลกับอะไรบ้าง แต่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้ยินได้ฟังลองดูดีเอาเทพบปนี้มาเทศที่วัดเทพศิลินเนี่ยทุกครั้งที่เขามีงานศพองตาว่ามันจะตื่นอยู่นะคนเน่ะมันจะเกิดปัญญาอยู่นะแต่ก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้มันก็ฟังอะไรท้งนอๆนองๆนๆนๆนๆอๆนๆอะไรแนีใช่หมเขาเล่นด้อนะแบี้ใหขาเล่นละนาดผาดของทิ้งๆงๆนๆนๆงๆนๆนออ้ตอนนี้ขึ้นวางผ้าวางผ้า บางบ้านเราก็ลงทางน้นบางแห่งมิหนำซ้ำทําให้วุ่นวายขึ้นไปอีกหวานเงินนีกที่นี่แจกทานไล่ตะคุบเอาเงินเหรียญบาทไล่ขนมฮอรนต่างหากวุ่นวายนะเพราะได้ยินเขาโฆษณาทองโทรทัศน์บอกว่าคนตายนะถ้าแจกฮอนไปแล้วมันจะไม่ตกนรกมันจะเย็นจ้าขายดิบขายดียใครมันช่างคิดกันเลยเกินโฆษณาเนี่ยต้องให้เกียรตินิยมมันนะนะกีใหีบมเนี่ย ดีมากหลกตาก็ยังคิดไม่ออกประาณนั้นเลยแต่นี้คนทําบุญทาทานเอาต้นเอากันไปถวายนะี่เขาใส่ฮอนมาคนละถุงละถุงให้ญาติพี่น้องเขามันต้องไปขอบคุณได้หมอนั่นทำบุญทาทานเนะี่ยคิดดีเียนคิดดีะแต่พอขนมฮอน์หมดมันวาบเหมือนฝันเลยนะบางทีมันคิดคืนกลับมานะมันชีวิตนี่ก็มีประมาณนั้นแค่นั้นแล้วเราจะหลงจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เหรอ ไม่อยากปฏิบัติทำเหเลยไม่อยากเอาจริงเอาจังหรือชีวิตเนี่ยไม่อยากพ้นจากทุกนี้ไปเหรอถ้าอยากอยู่แบบนี้ก็โอ้ยนะก็เท่านั้นแหละอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเราก็หลงอยู่กับยศฐานรรดาศักดิ์นี่แหละตำแหน่งนาฏิกันงินเงินทองอยู่ประมาเ น, นี้หาบ้างเถื่อชีวิตเนี่ยหาทางออกจากทุกบ้างเถอะอายุมันปูนนี้แล้วอย่าในน้อยนี่ก่อนตายเนี่ขอให้ไม่รลูกอรหันขอได้นิพพานน่ะ คนนิพพานเนี่ยเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนที่มีอยู่ในใจเนี่ยมีอยู่ในใจของคนทุกคนนะเราหานี่เราไม่ใช่ไปหาข้างนอกนะไอ้ที่เดินจ ก, กรมเนี่ยให้รู้ขาใครขามันนะใช่ไหมวันนี้ไปจับขายายแม่หมออ่อนยกสร้างจังหวะไม่รู้ลวขาโยมนีวะไม่ต้องว่ารู้ขาตมานะขาโยมละเอียด แกเพิ่งรู้ว่าโอ้ยกแบบนี้เนาะวางแบบนี้นะประมาณนั้นมีไหมที่ให้เดือดจุ ก, กมนันให้มันรู้ขาอย่าลืมรู้ขาพระพุทธเจ้านะท่านก้าวยังไงไม่ใช่ขาเรานี่แหละวางเนี่ยไม่ให้รู้ขาคนอื่นเวลายกมือนี่ก็ให้รู้มือตัวเองนี่ทําไมมันจะไม่รู้นี่มือเราเนี่ยเอายมทําไมมันไม่รู้รู้ถ้ามันตั้งใจรู้นี่อย่างยกมือนี่รู้นี่ เพราะว่าเขาให้รู้ตัวของเราเองเขาไม่ได้ให้ไปรู้อินผมยมยักนวลมีไหมได้บอกรู้ลูกแก้วใต้สะดือนะมีไหมไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดแต่ให้รู้ความรู้สึกตัวมันเหยียบมีรู้ดิเนี่ยรู้เนี่ยแล้วรู้ให้มันต่อเนื่องถ้ามันไม่ต่อเนื่องกักระเทือบอีกรู้อีกเทือบอีกรู้รู้รู้ไปเรื่อยเข้าใจไหม มันเข้าใจอะ่ะแต่พอมันไปทำแล้วมันไม่ค่อยทําแต่มันก็ดีนะเนี่ยวันนี้ดีไหมดีขคือนะดีครับไม่ใช่ดีไห ม, มทําให้มันเข้าใจรู้แล้วก็ทําให้มันต่อเนื่องเขามีหลักการวิธีการอะไรที่พุทธิยศสอนนะที่เราสวดเนี่ยอธิบายแล้วก็อธิบายให้ฟังทฤษฎีเราก็มีอ่นังสือนี่พระไตรปิฎกเราก็มา ใ, ให้ฟังว่าอริยะปปะเนี่ย ว่ายังไงไอริยบทปปะเนี่ยว่าโดยการกําหนดรู้อริยบทกําหนดรู้แบบไหนสัมปัจจะยะที่เอามาสวดยกมือสรรั่งจังหวะเนี่ยมาในหมวดไหนของพรปไตยปิฎกนะฮะดูจิตเนี่ยปปะไหนเราก็สอนมันมีหมวดมีหมู่อยู่ตลอดเวลามันมีหลักฐานประกอบนะแล้วเราก็เอาไปทำเท่านั้นเองอันเนี้ยอย่าไปทําแบบนั้นอยไปทําแบบนี้นะมันง่วงมันเหงาเนะีมันติดนิวรณนะ์ น, น, นัติดนิมิตติดโน่นติดนี้นีแบบนี้มันง่ายนะลองทําดูดิโดยมนะันเนี่ย แต่มันก็ไม่อยากทำมือว่าแหละมันติดก็ทิศ ท, ท, ทินี่แหละปัญหาเอาเนานะท่า น, นวันนี้หลวงตาพูดคุยมาให้ฟังก็เมื่อยแล้วนะครับนจะคิดว่าสมควรเก็บเวลาจากนี่ไปถึงหกทุ่มดิหกทุ่มเนาะตายพอดีเลยเนาะไม่ตายหรอกเราไปทํางานเนี่ยทํางานพวกเวลาเข้าไปทํางานมันง่ายจะตายไปเจ้านายเราโง่เขาแต่เราเซ็นชื่อมันก็ว่าเรามาแล้วนะ แต่นี่มันไม่ได้นี่ต้องเช็คตามง่วงหรือเปล่าคนนั้นง่วงหรือเปล่าคนนี้แต่นอนไปก็เข้าไปนอนในห้องก็ไม่เป็นไรแล้วเดาเซ็นชื่อแล้วมาแล้ววันทีมันก็มาปลูกเอาเอาอันนี้ตรวจที่เราก็ตัวนี้เราก็หลับอีกก็ได้นั้นโอพโุ้มก็คงได้นะ